โอกาบท่านอาจารย์ที่พวกเราฝึกกันไว้นะเรียนกันมาฝึกตัวเองกันมาในภาพรวมดีนะใช้ได้งานพัฒนาใจตัวเองนะเป็นงานต่อสู้กับกิเลส สิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีปัญหามีความทุกข์ก็คือกิเลสนั่นเองเราฝึกปฏิบัติไปค่อยๆลดละกิเลสเป็นลำดับลาดับไปวันใดใจเราไม่มีกิเลสมันมีแต่ความสงบสุขมีความสุขนะเป็นความสุขที่สงบ พระนิพพานเป็นความสงบเป็นสันติและพระนิพพานนั้นมีความสุขที่สุดงั้นสิ่งที่เราจะพบก็คือความสงบสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนใจของเราแต่ละวันเราร้อนเพราะถูกกิเลสเสียดแทงเอากิเลสห ย, ยาบหยาบ ก็ทำให้เราเป็นคนชั่วหยาบกิเลสละเอียดก็ทำให้เราเป็นคนที่ประณีตละเอียดล้วหมดกิเลสก็ไม่เป็นคนต่อไปแล้วพ้นสภาวะค่อยๆหัดภาวนาวิธีการที่เราจะพ้นจากกิเลสได้เนี่ยเครื่องมือสำคัญคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา ศีลต้องตั้งใจรักษาไว้ก่อนเบื้องต้นก็มีเจตนาที่จะงดเว้นการทำ บ, บาปอกุศลห้าข้อศีลห้าพอละศีลห้าศีลแปดจะถือบ้างเป็นครั้งคราวเป็นครว่าตถือศีลแปดตลอดเนี่ยบางทีสังขารร่างกายมันไม่ไหวอย่างเราทำงานหนักมากๆอะไรเนี่ยตกเย็นเราถือศีลแปดบางทีอยู่ไม่ไหวสมัยพุทธกาลก็มี ลูกน้องของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีมีอยู่คนหนึ่งไปทํางานมานะกลับมาที่บ้านปรากฏว่าพราบว่าคนที่บ้านเขาถือศีลแปดกันเพราวันพละเนี่ยเขาหยุดงานกันคนนี้ไปทํางานหนักมาก็อดเกัเข้าบ้างไม่กินข้าวเย็นแล้วแกก็ตายวันนั้นเลยนะร่างกายมันทนไม่ไหวถ้าไม่ถึงตายแล้วโรคกรเพาะถามหา เป็นสีนาวสีลห้าให้ได้ก็พอละสําหรับคราวาสศีลแปดถือเป็นคราวๆเป็นคลั่งคราวอย่างวันพระถือสีลแปดอะไรนี้ก็ดีฝึกให้ใจเข้มแข็งคนฝึกมีสีลแปดนะมันเข้มแข็งกว่าคนมีสีลห้าจริงๆอย่างคนจะอดเข้าเย็นเนี่ยต้องใช้ความเข้มแข็งมากเลยถ้าไม่เคยอดเนี่ยไม่ใช่ง่าย นี่อย่างน้อยๆเราก็ตั้งใจถือศีลห้าข้อไปไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นไม่รักไม่ขโมยของใครนะไม่ประพฤติผิดในกรรมลูกเขามีใครอะไรอย่างเงี้ยสามีเขาอะไรยปยุ่งนะรักษาศีลไม่โกหกหลอกลวงฟุ้งซ่านพริ้ น, ป ล, นปล้อนนะส่อเสียดยุโยงให้เขาตีกันนะนี่ศีลข้อสี สีนข้อห้าไม่ติดสูรายาเสพติดทั้งหลายที่ทำให้ใจขาดสติง่ายทำให้ขาดสติเนี่ยรักษาสินห้าข้อนี้ตั้งใจไว้ก่อนในเบื้องต้นสีนเป็นข้อข้อนี้เรียกว่าปฏติโมกสังมอนสลนตั้งใจรักษาต่อไปเราก็พัฒนาการถือสีนของเราให้สูงขึ้นไปอีกด้วยการมีสติ รักษาจิตให้เราคอยมีสติรักษาจิตใจตัวเองไว้กิเลสอะไรเกิดขึ้นในจิตใจให้มีสติรู้ทันความโลภเกิดให้รู้ทันความโกรธเกิดให้รู้ทันความลงเกิดให้รู้ทันพอเรารู้ทันสติเกิดขึ้นปุ๊บกิเลสจะดับโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องดับกิเลส เพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาการถือศีลของเรามาสู่การมีสติรักษาจิตล้วก็การถือศีลจะไม่ใช่เรื่องที่เหน็ดเหนื่อยหรือยากลาบากอีกต่อไปถ้าอยู่ๆจงใจถือศีลห้าศีลแปดีลสิบอะไรเนี้ยถือยากโดยเฉพาะศีลข้อสี่ 4, พร้อมจะขาดเสมอพูดเพอ้อเจอ้อพูดเพ้เจอ้อนี่รวมทั้งเล่นเฟซเล่นไลน์ด้วยนะไม่ได้มีความจาเป็นต้องเล่นก็ไปนั่งเล่นทั้งวันคุย คุยด้วยนิ้วมืออะไรเงี้ยก็ฟุ้งซ่านเข้าขายผิดศีลข้อสี่เหมือนกันถ้าฟุา้งซ่านแต่ถ้าเรามีสติคุ้มครองจิตใจ ต, ตัวเองอยู่ราคะเกิดรู้ทันเราจะไม่ทําผิดศีลห้าเพราะราคะโทสะเกิดรู้ทันเราจะไม่ทําผิดศีลห้าเพราะโทสะ โมหะความฟุ้งซ่านความหลงไปเกิดเรามีสติรู้ทันเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะโมหะศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นฆราวาสทั่วๆไปคนทั่วๆไปนะนะั้นถือศีลเป็นข้อๆก็ดีทมไปแล้วแต่พวกเรานักปฏิบัติต้องพัฒนาการถือศีลขึ้นมาสู่ระบบที่ว่าอินทรียสังอ่อนศีล นะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะอะไรเกิดขึ้นในใจเรากิเลสอะไรเกิดขึ้นนะมีสติรู้เลยกิเลสมันจะเกิดตามหลังการกระทบอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเรามีตาเราก็ต้องเห็นรูปเรามีหูเราก็ได้ยินเสียงเรามีใจก็ต้องคิดนึกปรุงแต่งเป็นอย่าไปฝึกที่จะไม่ดูไม่ฟังไม่คิดนะ มันเป็นการผิดธรรมชาติมีตาเราก็ดูมีหูเราก็ฟังมีใจเราก็คิดไม่ใช่ว่าไม่ดูไม่ฟังไม่คิดแล้วจะบรรลุทำง่ายถ้าเป็นแบบนั้นคนตาบอดจะบรรลุก่อนเราเพราะเขาไม่เห็นคนหูหนวกก็จะบรรลุก่อนเราเพราะเขาไม่ได้ยินหรือคนสลบไปไม่มีความรู้สึกก็ต้องบรรลุมรรคผลว่าไม่คิดอะไรจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้น มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดแต่พอตาเห็นรูปเนี่ยจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วอะไรขึ้นมารู้ทันไปนะหูได้ยินเสียงอย่างเราได้ยินเสียงชมเนี่ยใจเราพองนะเดี๋ยวก็จะมีส่งกันบ้านแล้วหลวงพ่อบอกเออทาดีถ้าทำถูกแล้วเนี่ยใจมันจะพองเราก็ค่อยรู้ทันนะใจมนันดีดีพอใจแล้วก็รู้ทันนะมันไม่พอใจก็รู้ทัน คอยรุดไปเรื่อยๆหัดตัวเองนะแล้วต่อไปเนี่ยกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยเราจะเห็นอย่างรวดเร็วเราจะไม่นอนจมนอนแช่อยู่กับกิเลสถ้านอนจมนอนแช่อยู่กับกิเลสนะเดี๋ยวมันก็ยุเราให้คิดผิดผิดให้พูดผิดผิดแล้วให้ทําผิดผิดผิดศีลจนได้คิดผิดผิดเนี่ยยังไม่ทันผิดศีลแต่ว่าพอพูดผิดผิดทำผิดผิดเนี่ย มันผิดศีลพูดผิดผิดก็ผิดศีลข้อสี่ทำผิดผิดก็ผิดศีลข้อหนึ่งสองสามห้าแต่ถ้าเรามีสติอยู่คุ้มครองรักษาจิตอยู่กิเลสครอบงําจิตไม่ได้มันก็ไม่คิดผิดมันก็ไม่พูดผิดมันก็ไม่ทําผิดศีลอัตโนมัติมันเกิดขึ้นมาศีลเป็นผลปล่อยได้จากการที่เรามีสติ เพระนั้นการมีสติรักษาจิตจึงเป็นเรื่องใหญ่นะต้องพยายามสังเกตจิตใจของเราเองไปเรื่อยๆจิตใจมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันถ้าเรารู้ทันจิตใจของตัวเองอยู่นะกิเลสจะไม่มีช่องทางมาเกิดเลยเพราะในขณะที่มีสติเียกิเลสเกิดไม่ได้นะครูบาอาจารย์ท่านชอบสอนว่า ม, มีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรความเพียรคืออะไร ความเพียรเนี่ยหมายถึงว่าเพียรทำลายอคกูสลที่มีอยู่ให้มันหมดไปเพียรปิดกั้นอากูสลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกูสลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกูสลที่เกิดแล้วให้เกิดบ่อยๆงานสี่งานเนียที่เรียกว่าสัมมาวายมะความเพียรชอบเนี่ยเกิดจากการมีสตินี่เองถ้าเรามีสติรู้เท่าทันใจของเราเนี่ยกิเลสที่มีอยู่ก็จะดับทันทีกิเลสใหม่ก็จะไม่เกิด ในขณะที่มีสติเนี่ยกิเลสเกิดไม่ได้ในขณะที่มีสติเนี่ยจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วะมีสติบ่อยๆเรายิ่งชํานาญเราไปสติยิ่งเกิดถี่ขึ้นถี่ขึ้นมักุศลมันก็จเจริญขึ้นเรื่อยๆเพราะฉั้นการที่มีสติคุ้มครองรักษาจิตเราเนีเราเรียกว่าเรามีสัมมาวยามะด้วยมีสัมมาสติด้วยะ ส, มสมัมมาสมาธิมก็จะเกิดขึ้นมาอัตโนมัตินี่นเรา ค, ค่อยๆสังเกตใจตัวเองเรื่อยๆ กิเลสอะไรเกิดรู้ทันนะแต่ไปกิเลสมันไม่ค่อยเกิดให้ดูที่จริงมันเกิดแต่เราไม่เห็นเพราะว่าพอกิเลสมันละเอียดขึ้นไปนะหน้าตามันเหมือนกุศลนกิเลชั้นละเอียดเนี่ยนะหน้าเหมือนกุศลเลยดูแล้วนึกว่าจิตเป็นกุศลอยู่ไม่รู้ว่ามีกิเลสอยู่อย่างบางทีจิตมันติดใจในความสงบของสมาธิเงี้ยไม่อยากยุ่งกับใครไม่อยาก พบกับใครนะอยู่คนเดียวเงียบเงียบนั่งอยู่คนเดียวแต่ในบ้านไม่ยุ่งกับคนเราคิดว่านี่ดีมากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรแต่จริงๆจิตมันติดใจในความสงบของสมาธนะิเป็นกิเลสชั้นละเอียดให้ว่ารูปประราคะรูปประราคะหรือบางทีจิตมันฟุ้งซ่านนะมันคิดเรื่องธรรมะ เราก็คิดว่าจิตกำลังเจริญปัญญาความจริงฟุ้งซ่านนะเจริญปัญญากับฟุ้งซ่านมันต่างกันฟุ้งซ่านเนี่ยจิตมันคิดไปปรุงไปนะไม่มีสติแต่เวลาเจริญปัญญานี่จิตทำงานจิตเหมือนที่จิตฟุ้งซ่านนั่นแหละแต่เรามีสติรู้ทันจิตใจไปนะอย่างนั้นเป็นการเจริญปัญญาคนภาวนามไม่เป็นกับคนเจริญปัญญานาต่างกันนิดเดียวตรงที่มีสติเท่านั้น ถ้ามีสติก็เกิดปัญญาได้ถ้าขาดสตินะันก็มีแต่กิเลสแะที่จะเกิดเพราะฉนั้นการที่มีสติรักษาจิตไปเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะจะพาเราพ้นทุกข์ได้ก็ตรงที่ว่ารู้เท่าทันกิเลสที่มันเกิดในใจนี่แหละกิเลสไม่ไปเกิดที่อื่นหรอกกิเลสเกิดที่ใจที่เดียวเพราะเราไม่ต้องไปเที่ยวดูอะไรมากมายดูใจของเราไปเรื่อยๆนะเวลาดูใจนะั้นมันดูได้หลายอย่าง มันดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเช่นรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกดีรู้สึกชั่วรอบรวดหลงอะไรเงี้ยนี่เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจให้เรามีสติรู้ทันนะหรือดูอีกอย่างหนึ่งคือดูพฤติกรรมดูการทำงานของจิตเช่นจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปดูจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปดมกลิน่นไปรู้รสไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดสลับไปสลับมา Blue อย่างเวลาที่เราไปดูโทรทัศน์น่ยไปสังเกตให้เดี๋ยวเดี๋ยวตาก็ดูเดี๋ยวหูก็ฟังเดี๋ยวใจก็คิดสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยถ้าเราภาวนาเก่งๆนล้วเราจะเห็นเลยตอนนี้จิตไปดูละวตอนนี้จิตไปฟังแล้วตอนนี้จิตไปคิดแล้วเห็นเฉยๆอย่าไปดึงจิตคืนนะอย่าไปดึงคืนเพราะจิตที่ไปดูมั no. ra. pareil, นก็ดวงหนึ่งจ anyway. ิตที่รู้ว่าเมื่อกี้ไปดูก็เป็นอีกดวงหนึ่งจิตที่ไปฟังก็เป็นจิตดวงหนึ่งจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้ไปฟัง ก็เป็นจิตอีกดวงหนึ่งจิตที่ไปคิดก็เป็นจิตดวงหนึ่งนะจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หนีไปคิดก็เป็นจิตอีกดวงหนึ่งมันเกิดดับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆงั้นไม่ต้องไปรักษามันนะไม่ต้องไปทําให้มันเที่ยงนะมันมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเราอย่าไปหวงให้จิตวิ่งไปดูรูปพอรู้ทันว่าจิตวิ่งไปดูแล้วไปดึงจิตคืนมนะันจิตมันจะแน่นเลยอะนนั้นเพราะว่าเราสร้างกิเลสตัตวใหม่ละเราโลภเราอยากได้จิตคืนน ดึงจิตขึ้ามากลายเป็นบังคับจิตจิตเกาเครียดขึ้นมาอย่างนั้นไม่ถูกดูจิตแลนะ้ดูสบายๆไปอย่างความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความทุกข์เกิดขึ้นรู้ทันโลภโกรธลงเกิดขึ้นรู้ทันรู้ไปเรื่อยๆนะคอยรู้ไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละศีลที่ไม่เคยมีมันก็จะมีแล้วก็ไม่ต้องบังคับตัวเองให้ถือศีลเลยศีลมีอัตโนมัตินะี่เรียกว่าเราได้ศีลอัตโนมัติเพราะเรามีสติรักษาจิต จิตเป็นยังไงคอยรู้ไปเถอะกิเลสจะมาไม่ได้กุศลก็จะเจริญขึ้นศนะีลของเราก็จะดีโดยอัตโนมัตินะจะต่างกาับศีลเบื้องต้นนะถือศีลห้าศีลแปดอะไรเนี่ยต้องเจตนางดเว้นการทำชั่วทางกายทางวาจาอันนี้เรามีสติรักษาจิตอยู่เนี่ยเรางดเว้นการทำชั่วทางใจเมื่อใจมันไม่ชั่วแล้ววาจามันก็ไม่ชั่ว การกระทําทางกายมันก็ไม่ชั่วนะศีลมันก็สมบูรณ์ขึ้นอัตโนมัติแล้วการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตนะสมาธิจะเกิดขึ้นนะสมาธิจะเกิดขึ้นอย่างเวลาจิตเราหลงไปคิดเนี่ยเรามีสติรู้ทันเมื่อจิตหลงไปคิดแล้วจิตจะหยุดการหลงนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตรู้กับจิตที่หลงไปคิดนะั้นมันตรงข้ามกัน เป็นของตรงข้ามกันเมื่อไรจิตหลงไปคิดเมื่อนั้นจิตรู้ไม่มีเมื่อไรมีจิตรู้เมื่อนั้นไม่มีจิตที่หลงไปคิดงนะั้นเราพยายามฝึกคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองเรื่อยๆจิตหลงไปคิดรู้ทันนะเดี๋ยวก็หลงอีกไม่ห้ามมันนะมันอยากหลงก็ให้มันหลงไปแต่รู้ไวๆหน่อยนะจิตหลงไปคิดก็รู้จิตหลงไปคิดก็รู้อย่างนี้เรื่อยๆไป ทุกคราวที่รู้สมาธิจะเกิดขึ้นโช่วขณะจิตเราจะเกิดสมาธิขึ้นช่วขณะเรียกว่าคณิกาสมาธิอย่าดูถูกคณิกาสมาธินะพระอรหันต์ส่วนใหญ่นะก่อนจะเป็นพระอรหันต์นะก็ได้คณิกาสมาธินี่แหละอาศัยสมาธิชนิดนี้แหละทีละขณะทีละขณะนี้แหละไปเจริญปัญญาส่วนใหญ่เข้ามาทางนั้นส่วนพระอรหันต์ที่ทรงฌานอย่างนี้ ก่อนจะเป็นพระอรหันต์ก่อนจะได้โสดาแล้วทรงฌานอะไรเงี้ยมีน้อยส่วนใหญ่ก็คือคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้แหละเข้าฌานไม่เป็นเพราะเรามีสติรู้เท่าทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันก็จะไม่ฟุ้งซ่านสมาธิมันจะเกิดจิตันจะไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตมันก็มีสมาธิก็เท่านั้นเองง่าย จิตฟุ้งซ่านเป็นจิตมีกิเลสถ้าเรามีสติรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านก็ดับเกิดจิตไม่ฟุ้งซ่านคือจิตที่มีสมาธิขึ้นมาแทนเห็นไหมว่าการที่เรามีสติคอยดูแลรักษาจิตของเราสังเกตจิตของเราเรียนรู้จิตของเราไปเรื่อยๆทําให้ศีลเกิดขึ้นทําให้สมาธิเกิดขึ้นจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับ ีบางคนอยากทำสมาธินะก็เริ่มด้วยการบังคับจิตอย่างถ้าหลวงพ่อบอกว่าอ้าวพวกเรานั่งสมาธิพวกเราจะเริ่มจากการบังคับร่างกายก่อนต้องนั่งให้ท่าที่สวยงามนะให้เหมือนในในอะไรอ่ะในตาําราต้องนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเียต้องนั่งให้สวยก่อนพอนั่งสวยได้ที่แล้วก็เริ่มบังคับจิต ทำจิตให้คลึ่มคลุมบ้างทำจิตให้เสื่องซึมบ้างจำจิตให้เคลิ้มเลิมบ้างทำทั้งนั้นเลยนะอันนั้นไม่ใช่วิธีปฏิบัติที่ดีสิ่งที่ได้มาจะเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่มีสติกํากับจะเป็นมิจฉาสมาธิมันไม่มีสติกํากับเนี่ยอะไรมันจะมากํากับแทนกิเลสมันจะมากํากับแทนอย่างเวลาที่เรานั่งสมาธิเราก็อยากสงบเมื่อกิเลสมันกํากับเราละะ เวลามันไม่สงบนะมันฟุ้งซ่านขึ้นมาก็งหงุดหงิดเนี่ยกิเลสเข้ามาบังคับเราอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทำตามที่กิเลสสั่งนะค่อยๆฝึกจิตตัวเองมีสติรู้เท่าทันจิตตัวเองไปเรื่อยศีลก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้นะเคลื่อนไปดูเรารู้ทนันสมาธิก็เกิดเคลื่อนไปฟังรู้ทนันสมาธิก็เกิดเคลื่อนไปคิดรู้ทนันสมาธิก็เกิด สมาธิที่เกิดขึ้นก็สมาธิอย่างเดียวกันนะเป็นขณิกะสมาธินะไม่จาเป็นว่าต้องหลงไปคิดแล้วรู้อย่างเดียวนะถ้าจิตวิ่งไปดูรู้ว่าจิตหลงไปดูแล้วเนี่ยสมาธิก็เกิดเหมือนกันขอแค่ว่ารู้ว่าจิตเคลื่อนเท่านั้นรู้ว่าจิตเคลื่อนไปเคลื่อนไปทางตารือเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปทางหูคือเคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปทางจมูกก็ไปดมกลิ่น เคื่อนไปที่ลิ้นก็เป็นรู้รสเคลื่อนไปที่ร่างกายก็ไปรู้สัมผัสที่ร่างกายมันเย็นมันร้อนมันออนมันแข็งอะไรอย่างนี้มันตึงมันไหวอันนี้รู้ที่ร่างกายจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่กายแล้วก็รู้เรื่องเราทางใจทั้งหลายธรรมอารมณ์ทั้งหลายอันนี้จิตมันเคลื่อนไปทางใจมันทํางานจิตที่หลงไปคิดก็คือจิตที่หลงไปทางใจถ้าเรารู้ทัน ไม่ว่าช่องใดนะว่าจิตเคลื่อนในช่องใดก็ตามพอเรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปในช่องใดก็ตามนะจิตจะตั้งมั่นความไม่เคลื่อนจะเกิดขึ้นงั้นสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลวงพ่อพูดคาว่าอัตโนมัติมาหลายรอบแล้วนะทีแรกเขาพูดรักษ า, จ, ากจิตของเรามนะีสติดูแลจิตของเราแล้วสีอัตโนมัติเกิดแล้วเราคอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านไปทางสวรรค์ทั้งห สมาธิมันจะเกิดอัตโนมัติมีศีลอัตโนมัติมีสมาธิอัตโนมัติพอเรามีสมาธิอัตโนมัติแล้วคราวนี้มันถึงงานที่ยากยากมากๆเลยคือการเจริญปัญญาเจริญปัญญานิดๆหน่อยๆไม่ยากหรอกแต่ถ้าเจริญจนปัญญาอัตโนมัตินีก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันปัญญาอัตโนมัติหมายถึงว่าไม่เจตนาจะเห็น กายนี้ใจนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เห็นได้เห็นกายนี้ใจนี้แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ซึ่งมันไม่ค่อยเห็นหรอกคนทั่วไปที่ไม่เคยฝึกเนี่ยจะไม่เห็นอาจจะเห็นเฉพาะร่างกายนะว่าไม่เที่ยงแต่เห็นเป็นคร่าวๆอย่างไปงานศพทีก็รู้สึกเออร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะตายก็ได้ไม่แน่นอน พอออกจากงานศพไปกินเลี้ยงกันต่อนิดนิดเดียวนะ่ะก็ลืมแล้วลืมตายแล้วนั่นจิตใจของบุติชนนั้นมันกลับกรอกเชื่อถืออะไรอย่างไม่ได้หรอกเรียกว่าคุมดีคุมร้ายเราต้องมาเจริญปัญญาจนให้มันอันตโนมัตินะไม่เจตนาจะเห็นร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ก, ก็เห็นไม่เจตนาจะเห็นจิตใจทื่นามมาทำทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ก, ก็เห็น ทำไมมันถึงเห็นได้มันต้องหัดดูเรื่อยๆนะทีแรกก็หัดหมายรู้ก่อนอาศัยสัญญาไปหมายรู้บางคนโจมตีสัญญานะบอกสัญญาเนี่ยเป็นตัวหลอกลวงสัญญาวิปรราชเปสัญญาที่ผิดนะเป็นตัวหลอกลวงทำให้เราคิดผิดๆเชื่อผิดๆสัญญาที่ถูกนะคือสัญญาการหมายรู้กายหมายรู้ใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เรียกเป็นสัญญาที่ดีนะ ถ้าไม่มีสัญญาจะทำํำวิปัสสนาไม่ได้นี่พระสารีบุตรท่านเคยบอกเลยกระทั่งพรมชั้นที่แปดพรมชั้นที่แปดเป็นอรูปประพรมชั้นเนวสัญญานาสัญญายะตะนะเนี่ยเกือบจะขาดความรู้สึกตัวอยู่แล้วเนะหลือความรู้สึกตัวอยู่นิดเดียวแทบจะเรียกว่ารู้สึกอยู่ก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกก็ไม่ใช่ในขนาดนั้นนะ่ะถ้าถ้ายังสามารถ มีมีสัญญายังมีความรู้สึกอยู่สักนิดหนึ่งนะแล้วก็ชำนาญในการดูจิตนีเขาตาดอยู่ในฌานที่แก็าสามารถเจริญวิปัสสนาได้นี่ภาษาริบุตรท่านสอนไว้เรียนกะว่าในสัญญาสมาบัติคือในสมาธิทั้งหลายที่ยังมีสัญญาอยู่เนี่ยทำวิปัสสนาได้เพราะฉะถ้าไม่มีสัญญาจะทำวิปัสสนาไม่ได้นะอย่าปดูถูกสัญญานะาเราชอบดูถูก สัญญาที่ควรดูถูกคือสัญญาวิปลาดสัญญาเพี้ยนสัญญาเพี้ยนมีสี่ข้อข้อที่หนึ่งเห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามอย่างร่างกายเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่สวยไม่งามเราต้องคอยชำระคอยล้างคอยขัดสีชวีวันอยู่เรื่อยเพราะร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามโสโครกมีของโสโครกไหลชุ่มออกมาตลอดเวลา อาบน้ําแต่งตัวให้สวยนะ้ทาแป้งให้สวยนะมันนั่งนานๆหลายๆชั่วโมงเกล อ, ออกตัวเหม็นแล้วมันในร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วคือมันไม่สวยไม่งามไม่หอมไม่สะอาดนี่คนที่มีสัญญาณวิปลาสเขารู้สึกร่างกายนี้เป็นของสวยของงามหน้าพิสมัยเหลือเกินส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดูวิปลาสอันที่สองก็คือเห็นของไม่เทียเท่ยงว่าเที่ยงอย่างชีวิตของเราเนี่ยไม่เที่ยงเราก็ชอบคิดว่าเที่ยง พวกเราในห้องเนี้ยมีใครคิดว่าวันนี้เราจะตายบ้างไหมเป็นไปได้ไหมว่าเราจะตายวันนี้เป็นไปได้ใช่ไหมอยู่ๆแผ่นดินไหวนะถล่มลงไปจมดินเอย่ะงเชียงรายแผ่นดินไหวบ่อยนะคนเชียงรายอย่าประมาทนะเมืองทั้งเมืองเคยถล่มจมดินมาแล้วนะ งั้นเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยของมันไม่เที่ยงนะเราคิดว่าเที่ยงเราคิดนะว่าแข็งแรงไม่แข็งแรงจริงนะถึงวันหนึ่งก็ต้องพังทลายเลยชีวิตร่างกายเราอย่าเงี้ยไม่นานก็ต้องแตกสลายไปคนเราตายง่ายมากเลยนะกินข้าวอยู่แล้วสำลักอาหารหลุดอุดเข้าไปในหลอดลมนะีหลุดเข้าไปอุดหลอดลมห้านาทีก็ตายแล้วหายใจไม่ออกห้านาทีก็ตายนะ ถึงไปปั้มหัวใจฟื้นฟื้นไม่ตายสมองก็ตายไปแล้วมีชีวิตก็เหมือนไม่มีเพราะนั้นะจริงๆแล้วเราอยู่กับความไม่แน่นอนชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนคนที่เรารักก็ไม่แน่นอนอาจจะตายไปแล้วก็ได้ขนาดที่เรามานั่งฟังเทศอยู่เนี้ยหรือแอบไปมีชู้แล้วก็ได้นะี่มันเป็นของไม่แน่นอนเราก็ชอบคิดว่ามันแน่นอนเราเชื่อว่าวันนี้เรายัางไม่ตาย เดือนนี้เรายังไม่ตายอีกห้าปีไม่แน่แต่ตอนนี้ยังใจเรื่อๆมันจะรู้สึกอย่างเงี้ยม่เห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเราเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขร่างกายเราอย่างเงี้ยเป็นทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์หิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์ปวดอึปวดฉี่ก็ทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ทุกข์ ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถ ร, ร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่เราไม่เห็นเรารู้สึกว่าร่างกายตอนนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยร่างกายนี้มีความสุขะเนี่ยเราเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนะหรือจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองแต่เราไม่เห็นยิ่งจิตของเราเป็นคนดีมาฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยจิตใจมีความสุขมีความสงบนะ เป็นคนดีจิตใจสบายอย่างเงี้ยเรารู้สึกจิตใจเป็นของมีความสุขนะยิ่งดีมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นเราไม่เห็นความจริงว่าจิตนี่คือตัวทุกข์เราไม่เห็นความจริงนี่แหละเราก็เลยปล่อยวางจิตใจไม่ได้นี่เราเห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงนะของไม่สวยว่าสวยของไม่เที่ยงว่าเที่ยงของเป็นทุกข์เห็นว่ามันสุขของไม่ใช่ตัวใช่ตนของบังคับไม่ได้คิดว่าบังคับได้ อย่างร่างกายเราเราคิดว่าสั่งได้สั่งไม่ได้ตลอดหรอกนะเอาลองสั่งสิสั่งให้หัวใจหยุดเต้นสิทำได้ไหมหลวงพ่อยังทำไม่ไดนะ้เราทำไม่ได้จริงของเราสั่งไม่ได้จริงหลวงพ่อเคยเจอนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชหรอกภาวนาขยันมากเลยดูกายดูใจของเราเรื่อยๆลงไปนอนนะ กายมันหลับจิตมันตื่นถ้าใครเคยเป็นนะจะเข้าใจตัวนี้ยร่างกายนอนหลับนะแต่จิตไม่หลับจิตตื่นเรารู้สึกเป็นสภาวะที่แปลกๆกายหลับจิตตื่นเราสั่งร่างกายกระดิกนิ้วซิเอากระดิกมันไม่ยอมกระดิกสั่งมันไม่ได้จริงแล้วเราสั่งไม่ได้แล้วลองพลิกซ้ายพลิกขวาซิก็พลิกไม่ได้ คนส่วนใหญ่บางทีก็ เ, เป็นนะคนทั่วทั่ไปบางคนก็เป็นนอนอยู่แล้วก็ดุกระดิกไม่ได้ <c oughs> ก็โทษว่าผีอัมผีไม่จะมาอัมอะไรใครเราอัมตัวเองนะไปโทษใส่ผีอะไรไม่ดีโทษผีไปก่อนนะอะไรที่ดีเราเอาไว้เองอะไรไม่ดีโทษผีเนะี่ยบอกผีอัมที่จริงไม่ใช่อะไรหรอกร่างกายมันนอนหลับแต่จิตมันยังตื่นอยู่ยิ่งจิตมันทรงสมาธิอยู่นะมันอยู่ได้ทั้งคืนเลยนะ ร่างกายนอนเนี่ยแล้วพอร่างกายมันเมื่อยนะร่างกายมันขยับพลก้วพล้วพลิกกว่าของมันเองนะจิตเราเป็นคนดูอยู่เฉยๆเนื้อกายกับจิตมันคนละอันกันมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหรอกสั่งมันไม่ได้ตลอดเวลานะสั่งได้เป็นครั้งเป็นคราวมันเหมือนลูกจ้างเรานะร่างกายเนี้เราใช้งานมันพอดีพอดีเราก็ยังสั่งมันได้เราใช้งานแบบโหดเกินไปมันก็ไม่ฟังคําสั่ง อย่างร่างกายเราเนี่ยเราจะเดินขึ้นมานะแล้วก็อยากเดินลงแล้วก็อยากเดินขึ้นพอหลายๆรอบนะสั่งให้ร่างกายเดินขึ้นมันไม่เดินแล้วมันจะนอนละมันไม่มีแรงจะปีนภูเขาละเอาจริงๆก็สั่งมันไม่ไหวเนะี่ยเราค่อยๆดูลงไปก็ทั้งจิตใจนะก็สั่งไม่ได้จิตใจเนี่ยเราสั่งให้จงมีความสุขมันก็ไม่มีจงอย่ามีความทุกข์มันก็มีความทุกข์นะ จงดีตลอดเวลาห้ามชั่วหมากิเลสยิ่งมาใหญ่เลยเวลามันอยากจะดีนะกิเลสยิ่งเยอะเลยเวลากิเลสมาก็ไล่มันจิตมันทำไมขี้โมโหนักต่อไปนี้ห้ามโกรธนะห้ามไม่ได้เราที่เราควบคุมไม่ได้ห้ามไม่ได้นี่เรียกว่าอนัตตาเราเห็นผิดมาตลอดชีวิตนะเราเห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่า ง, งาม เห็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของบังคับไม่ได้ว่าบังคับได้นะ่ะเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยเราก็พอมีการหมายรู้ผิดๆนดะก็เกิดการคิดทีไรก็คิดผิดทุกทีคิดก็มีเราทุกทีนะ่ะเรายังอยู่ทุกทีนะ่ะแล้วก็เลยเกิดความเชื่อผิดๆว่ามีเราจริงๆนะเราเนี่ยยังไม่ตายหรอกเราจอยู่อีกนานนะอาศัยการหมายรู้ผิดคือสัญญาที่ผิด ก็เกิดการคิดผิดผิดคิดผิดผิดไปเรื่อยๆก็เกิดเชื่อผิดผิดคล้ายๆหลอกตัวเองจนเชื่อเลยว่าเราเนี้ยร่างกายนี้จิตใจนี้คือตัวเราของเราเนี่ยเราเป็นคนเราสวยเรางามอย่างน้นอย่างนี้เราดีอย่างน้นอย่างนี้นะอันนี้มาจากหมายรูปผิดคิดผิดเลยเชื่อผิดผิดแล้วก็พยายามให้คนอื่นเขาเชื่อตามด้วยนะแล้วเขาไม่เชื่อก็โกรธ เนี่ยเราพยายามจาเจริญปัญญานะเราให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาจิตมันหนีไปเคลื่อนไปเรามีสติรู้ทันจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็มาดูร่างกายเนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะเนี่ยเรานั่งรู้สึกตัวอยู่รู้สึกร่างกายอยู่นะเลยเห็นแล้วร่างกายมันนั่งอยู่มันก็เมื่อยนะหรือนั่งอยู่แล้วมันก็คัน ถ้ามาอยู่ตรงที่หลวงพ่อนั่งเนี่ยดูที่พวกเราเนี่ยจะรู้เลยพวกเราเนี่ยเหมือนลิงมาเกิดอะยุกยิบยุกยิบนะไม่รู้ตัวหรอกเนี่ยเนี่ยพอพูดขัดคํำก็เก่ายิกย ก, กนะไม่รู้หรอกตลอดเวลาเลยนะมันเหมือนลิงกลับชาติมาเกิดนะยุกยิบยุกยิ ก, ยกตลอดเวลาเพราะในมันขันใช่ไหมคันนี่มันทุกข์หรือมันสุขมันทุกข์อยู่พอมันทุกข์ปุ๊บ เราเกาปั๊บหายคันไปแล้วโดยที่ยังไม่ทันรู้เลยว่าเมื่อกี่คันแต่ว่ามันหายคันไปแล้วหรือเวลาเรานั่งนานๆนี้เมื่อยเพอ n ั่งมาสักครึ่งชั่วโมงนี่เริ่มเมื่อยแล้ววิธีแก้เมื่อยก็ขยับนี่นะขยับขยับเพราะยังลุกขึ้นเดินหนีไปไหนไม่ได้เสียมารยาทก็ขยับแอบขยับเอวทำเนี่ยทำเป็นนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยนะเห็นไหมทำไมต้องขยับ เพราะว่ามันทุกข์มันมีความทุกข์บีบคั้นนะดังนั้นที่เราเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพื่อหนีทุกข์เราหายใจออกเราหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์นะเราหายใจออกสิหายใจออกไปเรื่อยๆทุกข์ไหมแวบเดียวเราก็เห็นแล้วหายใจออกไปเรื่อยๆก็ทุกข์นะหายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกข์พอหายใจออกแล้วทุกข์เราก็หายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์ พอหายใจเข้าแล้วก็ทุกเราก็หายใจออกเพื่อแก้ทุกนั่งนานๆก็ต้องขยับเพื่อแก้ทุกขยับมากๆเนี่ย ก, ก็ไม่หายนะนั่งนานมากเนะี่ยถึงบิดยังไงก็ไม่หายลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินหรือลงนอนไปเลยเปลี่ยนอิธิยาบทใหญ่ไปก็แก้ทุกมันจริงๆแล้วร่างกายเราเนี่ยมีความทุกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามีความทุกบีบคั้นอยู่ทุกอิธิยาบทมีความทุกบีบคั้นทุกลมหายใจเข้าออก แต่เราไม่เคยใส่ใจไม่เคยสนใจไม่เคยสังเกตนะถ้าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราก็ดูไปร่างกายนี่เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้ต่อไปนะั้นโดยอัตโนมัติเกิดขึ้นแล้วเห็นกายปุ๊บรู้เลยนี่ตัวทุกข์ใจมันจะไม่หลงยินดียินร้ายกับร่างกายนะร่างกายจะแก่มันคือตัวทุกข์แก่ร่างกายจะเจ็บมันคือตัวทุกข์เจ็บ ร่างกายจะตายมันคือตัวทุกข์ตายตัวทุกข์ตายเราจะไปเดือดร้อนอะไรเรายิ่งสบายใหญ่ไอ้ตัวทุกข์มันตายสมน้ําหน้ามันเนะี่ใจไม่มีแต่ความสุขนะขนาดมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายไม่ทุกข์หรอกเพราะเราเห็นความจริงแล้วร่างกายไม่ใช่ของดีร่างกายเป็นตัวทุกข์เนะนี่ยเราหัดมีสติรู้สึกอย่างนี้นะเรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่นะจนวันหนึ่งมันอัตโนมัตินะรู้สึกร่างกายนี่รู้สึกเลยนี่มันมีแต่ตัวทุกข์นี่มันเป็นแต่วัตถุก้อนธาตุ ยืมโลกมาใช้เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราหรือดูจิตใจเนี่ยเราเห็นนะจิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็ดีจิตใจเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหูเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดนยจิตใจมีแต่ความไม่เที่ยงจิตที่ดูก็ไม่เที่ยงจิตที่ฟังก็ไม่เที่ยงจิตที่คิดก็ไม่เที่ยง มีแต่ของไม่เที่ยงจิตที่สุขก็ไม่เที่ยงจิตที่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิต ด, ดีไม่เที่ยงจิต ด, ดีไม่เที่ยงเช่นอะไระตอนเช้าอยากฟังหลวงพ่อเทศเนี่ยเป็นจิต ด, ดีนะอุตสาหตะเกียรติกายขึ้นภูเขามาขึ้นมาแล้วมานั่งฟังถ้าหลวงพ่อเทศไปเรื่อยๆไม่หยุดให้กินข้าวกั้งวันเนี่ยจิตที่เป็นกุศลอยากฟังเทศเนี่ยมันจะดับไป มันจะเกิดจิตอยากกินข้าวแล้วพอไม่ได้กินจะเกิดจิตโมโหก็จะเริ่มมองหลวงพ่อด้วยสายตาเกลียดชังนะว่าพระองค์นี้ไม่รู้จักกาลเทศะเลยในเวลานี้ควรจะกินข้าวแล้วยังมาพูดไม่เลิกนะเนี่ยธรรมะเป็นของสูงนะเอามาโฆษณาอยู่ได้พูดอยู่ได้ไม่รู้จักอะไรช่วงไหนควรพูดช่วงไหนไม่ควรพูดอย่างนี้ หรือตัวหลงพ่อเทศยาวๆเนะบางคนปวดอือปวดชีนะถ้าเทศไม่ยาวมากก็ยังพอกลั้นไหวใช่ไหมถ้าเทศไม่เลิกเนี่ยใจอดินนะ้นละเมื่อไหร่จะเลิกเมื่อไหร่จะเลิกจิตที่เป็นกุศลตอนที่จะมาฟังเทศมันหายไปแล้วมันลุ้นว่าเมื่อไหร่จะเลิกสักทีนะเนี่ยไปดูเลยนะมันมีตลอดเวลาหรอกหรือบางทีฟังธรรมะนะตอนนี้ฟังแล้วงงไม่รู้เรื่องเลยนะโอยหลวงพ่อองค์นี้พูดอะไรไม่รู้เรื่อง พวกที่ฟังหลวงพ่อครั้งแรกๆนจะรู้สึกอย่างนั้นทั้งนั้นแหละเฉยบอกว่าพระองค์นี้สอนอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องเลยทําไมไม่สอนเหมือนพระอื่นๆนะมีนิทานประกอบด้วยนะฟังไม่รู้เรื่องจากอยากฟังเทศน์ร่างกายเป็นโทสะงุ่หงิดท่าอะไรพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องนะไปดีกว่าไหนะจิตที่เป็นกุศลก็ไม่เที่ยงนะจิตอกุศลก็ไม่เที่ยงโมโหหลวงพ่อเดินออกไปนอกศาลาไปเจอโลงทานเข้าพอดีเลย โอ้ถ้าจะอร่อยไม่กินฟรีนะี่เจอลงทานเท่นะัจิตที่กําลังมีโทสะเปลี่ยนเป็นจิตมีโลภะแทนเลยวิญญาณของเปรตเข้าสิงอย่างฉับพลันวนะิญญาณของสัตว์นรกกําลังมีความทุกข์อยู่ดับไปเกิดจิตวิญญาณของเปรตขึ้นแทนนะโอยแหลกเลยเพราะว่ากินฟรีอย่างเงี้ยเนี่ยจิตนะมันเปลี่ยนอย่างเนี้ยตลอดเวลาหัดรู้หัดดูไปนะจะเห็นว่าจิตนี่เต็มไปด้วยความไม่เที่ยง เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทกขเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหูเวลาเราทําการเจริญปัญญาหรือทํำวิปัสสนาเนี่ยเราถึงจะไม่บังคับกายบังคับใจให้ผิดความจริงการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของร่างกายคือการเรียนรู้ความจริงของจิตใจเราจะเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้จิตใจเราต้องมีสมาธิคือจิตใจอยู่กเนอกับตัว สมาธิที่ดีคือสมาธิชนิดที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวเองนะไม่หลงล่องลอยไปไหนไม่หลงกระทั่งในความสุขของสมาธิจิตใจอยู่กับตัวเองงั้นวิธีฝึกสอนแล้วนะยจิตเผลอไปแล้ว ร, รู้จิตวิ่งไปดูก็รู้จิตวิ่งไปฟังก็รู้จิตวิ่งไปคิดก็รู้ ja, พอเรารู้ทันเงี้ยจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ลองดูไปเรื่อยๆร่างกา ย, ยานี้มันสุขหรือมันทุกข์ลองดูไปสิ หรือสังเกตใจของเรามันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงนะมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงแต่ตอนที่สังเกตเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะอย่าจงใจสังเกตมากไปจงใจสังเกตจะกลายเป็นจ้องจิตจ้องลงไปไหนจิตตอนนี้เป็นยังไงจ้องใช้จ้องจ้องมันจะว่างๆมันจะไม่มีอะไรให้ดูเลยมันจะว่างเพราะนั้นถ้าดูไปเรื่อยๆแล้วจิตว่างเนี่ยเลิกก่อนหยุดก่อนเลยนะทาผิดแล้ว นะเข้าช่องที่ผิดแล้วเหมือนเขาวงกดทึ่เข้าไปช่องทึ่ออกไม่ได้หยุดก่อนเริ่มต้นใหม่รู้สึกเอาใหม่นะแล้วก็สังเกตใจละขณะ น, นี้เรารู้ไหมใจเราสุขหรือใจเราทุกหรือใจเรารเฉยเฉยรู้ตัวเองไหมใจเราสุขหรือใจเราทุกหรือใจเราเฉยรู้ทุกคนแหละถ้าจะรู้นะรู้ได้ทุกคนหรือต่อไปออกไปข้างนอกนะใจเราโกรธหรือใจเราโลภ อะไรเงี้ยเราดูได้รู้จักโกรธไหมใช่ไหมเรารู้จักโกรธเนี่ยเราต่างกับคนไม่ปฏิบัตินิดเดียวคนไม่ปฏิบัติเนี่ยเวลาโกรธนะมันจะไปดูวัตถุดูคนหรือดูสัตว์ที่ทําให้โกรธเรานักปฏิบัติเนี่ยพอโกรธขึ้นมาแทนที่จะไปดูคนที่ทําให้เราโกรธนะเราดูใจที่กําลังโกรธ เราจะเห็นเลยความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตัวนี้เรียกว่าเราหักเดินปัญญาแล้วนะต่อไปเราเห็นความโลภเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันนะความสุขความทุกข์หรืออะไรดีหรือชั่วเกิดแล้วดับเหมือนกันหมดนะไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับเลยความสงบเกิดแล้วก็ดับความฟุ้งซ่านเกิดแล้วก็ดับเพั้นสภาวะทั้งหลายที่ผ่านมาให้จิตรู้เนี่ยเราสามารถรู้โดยเท่าเทียมกัน ไม่ใช่รักกันหนึ่งเกลียดอันหนึง่งนะเราจะเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปด้วยใจเป็นกลางไม่รักไม่เกลียดความสุขผ่านมาก็ไม่หลงรักมันเพราะรู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวความทุกข์ผ่านมาก็ไม่เกลียดมันเพราะรู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวนะกิเลสมาก็ไม่เกลียดมันแต่ไม่ทําตามมันนะเรามีสติรู้ทันว่ากิเลสก็เด็นหายไปไม่เห็นกิเลสเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับนี่แสดงความไม่เที่ยง เนี่ยหัดรู้เรื่อยๆ เ, เวลาที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็คอยดูกายเ้าทำงานดูใจเ้าทำงานคอยหมายรู้ร่างกายร่างกายเนี่ยหมายรู้ในเรื่องของความทุกข์ได้ง่ายเพราะร่างกายแสดงทุกข์ตลอดเวลาหมายรู้ในแง่ของการเป็นอนัตตาในแง่ที่ว่ามันเป็นวัตถุก้อนาธาตุของโลกเรายืมวัตถุาธาตุของโลกมาใช้ไม่นานเราก็ต้องคืนเข้าไปไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง ถ้าดูจิตใจเนี่ยตัวที่ดูง่ายนะคือความไม่เที่ยงเพราะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะเนี่ยร่างกายเนี่ยตัวที่ดูง่ายคือตัวทุกขังกับตัวอนัตตาจิตใจตัวที่ดูง่ายนะคืออนิจจังกับอนัตตาเพราะจิตใจเรากลัรอกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเปลี่ยนตลอดเวลาเนี่ยหัดรู้หัดดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะจนกระทั่งเวลาเห็นจิตเกิดขึ้นนะมันรู้โดยอัตโนมัติเลยนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรา เห็นอัตโนมัติอย่างนั้นเรียกว่าปัญญาอัตโนมัติเมื่อเรามีศีลอัตโนมัติสมาธิาธอันตโนมัติปัญญาอันตโนมัติเกิดขึ้นแล้วนะน่าสะสมไปด้วยถึงจุดหนึ่งนีจะเกิดสภาวะที่อันตโนมัติอีกอันหนึ่งคือเกิดอริยมรรคขึ้นอริยมรรคเนี่ยไม่มีใครสั่งให้เกิดได้นะถึงเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะมาสั่งบอกให้เบอร์หนึ่งเกิดอริยมรรค ไม่มีทางสั่งได้ให้เบอร์สองเกิดอริยมรรคสั่งไม่ได้ไม่มีใครสั่งจิตให้เกิดอริยมรรคได้มันเกิดอัตโนมัติเมื่อศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสมบูรณ์เต็มที่แล้วคำว่าสมบูรณ์เต็มที่เนี่ยมันมีสี่ระดับนะไม่ใช่ระดั บ, บเบื้องต้นจะต้องสมบูรณ์เทียบเท่าพระอรหันต์ไม่ใชนะ่ระดับพระโสดาเนี่ยศีลบริูรณ สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยนะระดับพระสกทาคาเนี่ยศีล ส, สมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยระดับพระอนาคาเนี่ยศีล ส, สมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลางระดับพระอรหันเนี่ยศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์นะเต็มเพราะั้นสี่ชั้นเนี่ยคว่าเต็มของเราแต่ละชั้นเนี่ยไม่เท่ากัน มันไม่เท่ากันไ ม, ไ, มไม่ต้องตกใจนะว่าุเรายังฝึกไม่ได้เลยที่จะมีสติ24ชั่วโมงนะหรือตลอดเวลาที่ตื่นอยู่รู้ตัวได้ตลอดตลอดเวลาที่นอนหลับแล้วจะพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้ตลอดอย่างเงี้ยยังทําไม่เป็นเลยนะไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะใช้ใจธรรมดาอย่างนี้แหละค่อยๆเรียนไปมีสติคอยรู้เท่าทันจิตของตัวเองไปบ่อยๆ ศีลสมาธิปัญญามันจะเพิ่มขึ้นนะอากุศลมันจะดับไปสลายไปแล้วก็ไม่เกิดกุศลมันก็จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่เป็นกุศลก็คือตัวศีลสมาธิปัญญานั่นแหละมันก็จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายก็คืออริยมรรคจะเกิดขึ้นนี่เป็นเส้นทางเดินที่เราจะเดินกันงั้นพวกเราให้กันบ้านทุกคน ให้กันบ้านก็คือสังเกตใจตัวเองบ่อยๆอย่าลืมจิตใจตัวเองนะอย่าลืมจิตใจตัวเองคอยรู้ใจตัวเองเรื่อยๆไปมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วหรือมันหลงไปคิดหลงไปดูหลงไปฟังถ้ารู้ว่ามันหลงไปรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่หลงเกิดคูศนแล้วจิตตั้งมั่นไม่หลงมีสมาธิด้วยศีลก็อัตโนมัติขึ้นมาในขณะเดียวกันนั้นเลย ทั้งศีลทั้งสมาธิ lies, ท, is, ทั้งปัญญาเกิดในขนาดเดียวกันนั้นเลยนี่เราค่อยๆฝึกนะจนอริยมรรคเกิดอริยมรรคเวลาอริยมรรคเกิดเนี่ยศีลสมาธิปัญญาก็ประชุมตัวรวมลงในขนาจิตเดียวนั่นแหละนั้นเราฝึกตั้งแต่ตอนนี้เลยมีสติอยู่ที่จิตนี่แหละรู้ทันจิตไปศีลก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดเมือนประชุมลงที่จิตดวงเดียวนี่เอต่อไปอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นที่จิตนี่เอง กันบ้านรศการหลวงพ่อเจ้าค่ะจากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเจ้าค่ะแน่มาตั้งแต่เช้าแล้วจนเสียงแห้งแล้วสำหรับโยมาเจ้าค่ะก็สำหรับโยมาสิ เขามองไปไม่เห็นพระสังองค์ที่พูดเนี่ยสำหรับโยมทั้งนั้นแหละที่ฝึกอยู่นะใช้ได้นะแต่ตอนนี้สมาธิมันออกนอกไปหน่อยรู้สึกไหมใจมันออกนอกใจมันม่อยู่ในจอตื่นเต้นจ้ะพระนะตื่นเต้นให้รู้ ที่ฝึก อ, อยู่ใช่ได้นะแต่ตอนเนี้จิตไม่เข้าฐานนะให้รู้ทันว่าจิตอยู่ข้างนอกแล้วอย่าดึงไม่ดึงคืนนะแค่รู้ว่าจิตมันอยู่ข้างนอกแค่นั้นพอละตอนเนี้จิตหลงไปคิดรู้ว่าจิตหลงไปคิดเนะนี่ยหัดรู้ทันจิตตัวเองไปเรื่อยๆที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะไปฝึก อ, อีกสงสัยรู้ว่าสงสัยอยากพูดรู้ว่าอยากพูดเนะนี่ยรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆ คนต่อไปทำถูกแล้วต<ส> า, าทุกจะค่ะต้องการประโยชนนี้แหละสาธุนนามาจ า, จารหลวงพ่อเจ้าค่ะยมก็อยากปฏิบัติตามหลวงพ่อทุกเวลาค่ะแต่จะเป็นยังไงก็ไม่รู้จะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้ค่ะมันดีขึ้นเยอะแล้วนะเมื่อก่อนใจเราฟุ้งสั้น เดี๋ยนี้ดีขึ้นเยอะจิตใจอยู่กับเน้อก็ตัว <นะ S 1> เรียนรู้มันไปนะเอาดูร่างกายประกอบไปด้วยไม่ใช่ดูแต่จิตอย่างเดียวนะร่างกายเนี่ยร่างกายก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่สม่ําเสมอนะจิตใจก็มีแต่ของไม่เที่ยงดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจะได้เจริญปัญญา้าดีเราโยมก็เห็นตัวโยมทุกข์ขนาดละค่ะอะไรนะ ตัวโยมก็เห็นโยมทุกข์ขนาดแล้วสำหรับได้แหละรู้สึกไปตัวโยมเห็นตัวโยมทุกข์ร่างกายก็ทุกข์จิตใจก็ทุกข์เออดูไปอย่างนั้นแหละแต่อย่าให้ใจ อ, อย่าให้ใจหดหูนะดูไปด้วยใจ เ, เป็นกลางร่างกายนี้มีแต่ทุกข์จิตใจนี้มีแต่ทุกข์แต่เรารู้มันด้วยใจที่เป็นกลางไม่เกลียดมันแล้วยังเกลียดอยู่ยังไม่ชอบ ไปดูต่ออีกจนมันเป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางมักไม่เกิดเบอร์สามเบอร์สามตื่นเต้นมากเลยนะเราบางหัวใจหยุดไปนะอาบนวัตกรรมอรดงพ่อตื่นเต้นจริงนะจริงไม่หลอกหรอก <laughs> ขาที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูโทสะเห็นไหมเห็นเห็นค่ะดูเวลาเกิดโทสะแล้วใจมันเต้นตุกตุบทุกข์มากค่ะหลวงพ่ออแล้วพอหลังๆมาจะเห็นความความน้อยใจความเสีอใจกับออะไรเนี้ยค่ะมันจะตามมาแบบจะรู้เลยค่ะหลวงพ่อน้อยใจก็โทสะเสียใจก็โทสะนะดี การที่เรารู้เนี่ยเราได้ช่วยตัวเองให้พ้นนรกแล้วดูออก<ช>ไหมเวลาที่โทสะเกิดเนี่ยจิตใจเศร้าหมองจิตใจไม่<ช>ไมีความสุขเห็นไหมนั่นแหละมันเป็นภูมิอของสัตว์นรกนะร่างกายเราเป็นคนแต่ใจเราเป็นสัตว์นรกแต่พอเรามีสติรู้เท่าทันนะโทสะมันค่อยลดละลงไปค่อยห่างใจของเราออกไปเราก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มากขึ้นมากขึ้น เสียดายไหมโอกาสตกนรกน้อยลงไปฝือีกไปเพะไปทำเอาเพรเวลามันมันใจมันยังไม่เป็นกลางค่ะหลวงพ่อเวลาโทระัพท์มันไม่ชอบอย่างเงี้ยเออนั่นแหละไปดูไปให้รู้ทันให้รู้ทันว่าใจไม่เป็นกลางไม่ต้องแกล้งทำใจให้เป็นกลาง ขอบคุณมากอาซาทุกข่าวนัดมาสักการองพ่อเจ้าอืมนีม่คิดจะถาวแล้วก็ลืมเป็นรักเนี่ยเขาเรียนสัญญาไม่เที่ยงเป็นคนที่หลงที่ลื ม, อมขอหลวงพ่อแนะนำโยมด้วยนะคะว่าจะปฏิบัติยังไงจัดทำยังไง อาจีดมันซ่อมออกนอกค่ะการปฏิบัติเนี่ยนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติ ด, ดีแล้วไม่ขี้หลงขี้ลืมนะคนละเรื่องกันขี้ลืมเนี่ยสมองมันเสื่อมเป็นธรรมชาติมันก็ต้องเสื่อมแต่การปฏิบัติเนี่ยเรารู้อยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยจิตใจเราเป็นยังไงในปัจจุบันเรามีสติคอยรู้ไป สังเกตใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบจิตใจมีแต่ของไม่แน่นอนดูไปอย่างนี้เรื่อยๆพอไหวไหมเพราะว่าไหวค่ะต้องไม่ที่นอแต่พระอาจาถามอะไรอย่างพอพอมาถึงตรงนี้ถ้าถึงมาแล้วก็ลืมไปหมดนะแสดงว่าไม่จําเป็นหรอกะ สิ่งที่ถามสังเกตดูเธอสิ่งที่ถามนะซ้ำๆกันแทบทุกคนแนะนะเพราะงั้นไปสังเกตของจริงในใจเราเรื่อยๆนะหรือสังเกตของจริงในร่างกายก็ได้นะดูกายดูใจนะอายุเยอะขึ้นมาแล้วจะดูแต่จิตอย่างเดียวบางทีไม่ไหวดูกายช่วยเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเวลามันเจ็บป่วยขึ้นมานะ เราก็เห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความเจ็บป่วยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งเป็นคนดูนะค่อยๆฝึกไปนะเนี่ยเราเราจะได้เอาไปใช้มาเลยส่งการบ้านมาส่ ง, งครั้งแรกแล้กล่ะสาวนรการรมจ้า อ, อ, อ่ะเบอร์ห้านามสการค่ะหลวงพ่อือม อ, อโลภเยอะค่ะหลวงพ่อค่ะอะไรเยอะนะเวลาปฏิบัตินะคะโลภจะเยอะค่ะคโลดค่ะแล้วมันก็จะจะแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะความโลภเกิดเนะี่ยไม่ทําให้แน่นหรอกแต่ตรงที่ไม่อยากโลภอะมันแน่นเพราะฉนั้นความโลภเกิดรู้ว่าโลภอย่างนี้ใช้ได้ความโลภเกิดแล้วไม่ชอบ แล้วไม่เห็นว่ามันไม่ชอบตัวเนี้ยมันแน่นหยับเข้าไปจัดการมันแน่นเพราะเราเข้าไปจัดการะนะหัดดูแบบซื่อๆบ้างรอบข่้มารู้ว่ารอบ ค, ความรอบดับไปรู้ว่าดับไปนะความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธความโกรธดับไปรู้ว่าดับไปสังเกตไหมรอบปัสุกบางทีมันมาด้วยกันค่ะนะเนี่ยบางทีใจมันก็โลบนะบางที ทำไมเราพอใจเราไม่คิดจะต่อสู้ความโลภเพราะเวลาความโลภมาบางทีมีความสุขเราก็เลยพอใจให้รู้ทันนะเวลาราคาเกิดนะรู้ทันใจใจไปชอบมันเข้ารู้ทั น, นะ ม, นมันจะละได้ถ้ามันไปชอบกิเลสแล้วมันละไม่ลงค่ะลหลวงพ่อคะใช้วิหารธรรมขันธ์นั่งออกคะ่ะเวลา ดูดูจิตไปโลภแล้วมีราคาดูจิตของเราไปเรื่อยๆแล้วพุทโธพุทโธไปด้วยก็ได้ถ้าถ้าลาคาญถ้าทาอาจจะลาคาญพุทโธนะเพราะใจใจมันร้อนะใจร้อนๆเนี่ยพุทโธแล้วมันจะหงุดหงิดใช่ค่ะแผ่เมตตาแคไปแผ่เมตตาเป็นช่วงๆ ในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมีเวลาแผ่เมตตาเป็นระยะระยะไปใจู่ได้สมาธิแล้วก็มีความสุขด้วยแผ่เมตตาเนี่ยมันสอดคล้องกับพวกชอบโลภอ่ะจเลยเมตตาแล้วมันมีความสุขพุทโธพุทโธลำคาลำาญดูกายด้วยได้ไหมคะหลวงพ่อได้ยังไงเราก็ต้องดู ถ้าไม่ดูกายเลยเราก็ตกถนนเลยรู้สึกไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกแคหก่หลักนี้แหละแล้วถึงเวลาเราเก็บเวลาไว้ทำสมถะจะเรียนเมตตาไปคน เ, เบอร์หกเบอร์หกเบอร์หกกลัวจะแย่อยู่แล้วกากมรดกการหลวงพ่อค่ะ ยมส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะตัง้งใจจะถามแต่เดี๋ยวนี้ลืมแล้วค่ะไม่รู้จะถามอะไรแล้วค่ะตื่นเต้นค่ะอขอให้หลวงพ่อแนะนำนะะ้วยค่ะแล้วหลวงพ่อก็เมตตาเสมอเลยนะสังเกตใจเราสิใจเราดิ้นหลุกหลีกหลุกหลีกดูออกไหมค่ะเ น, นี่ยเราก็รู้ทันนะเราไม่ไปห้ามมันนะ ใจมันดิ้นไปดิ้นมาก็รู้ว่ามันดะิ้นไปดิ้นมานะรู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่ค่ะรู้ค่ะรู้สึกไหมเราพูดรู้ค่ะเนี่ยรู้สึกไหมผนมมือค่ะเนี่ยเวลาร่างกายเราเป็นยังไงนะเราคอยรู้สึกไปและเวลาจิตใจเรามีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราคอยรู้สึกไปอาจอย่างนี้บ่อยๆแล้วเราจะเจริญในธรรมะ ถือศีลห้าให้ดีนะถือศีลห้าไว้ค่ะและเวลาโมโหก็แผ่เมตตาไว้ค่ะรู้ค่ะเวลาโมโห เ, ออเมื่อวาน <laughs> จะขึ้นมาทํางานที่บูรน ท, ที่บูรนวัดวันนีไม่มีไม่มีใครดูเหรนละ่ะจําเป็นออที่ดูเหรนที่บ้านแหละค่ะ อ, อืมก็รู้ค่ะโทรศัขึ้นเลยค่ะเออนั่นแหละนักปฏิบัติ เาะงั้นเราก็เลี้ยงเหลนไปแล้วก็ดูกิเลสไปใช่ไหมบางวันเหรนเราก็น่ารักใช่ไหมราคาก็ขึ้นบางวันไม่ได้อย่างใจโทสะก็ขึ้นนะเลี้ยงเหลนไปนะแล้วก็ดูกจิตใจของเราไปนะนั่นแหละการปฏิบัติการปฏิบัติไม่ใช่ต้องหนีมาอยู่ในวัดนะอยู่บ้านนั่นแหละปฏิบัติได้เอาเบอร์เจ็ด มาตรการหลวงพ่อครับอืมส่งไม่ออกเลยครับส่งไม่ออกไม่เป็นไรหลวงพ่อบอกให้เองก็ได้ที่ภาวนาอยู่ใช้ได้นะที่ภาวนาอยู่นะดีนะสังเกตอย่าอต่าทาใจอย่างนี้อย่าทํำใจให้ซึมซึมเลอะเบอใช้ใจของคนธรรมดาอย่าไปแกล้งแต่งให้มันซึมเคลิม้ลมๆอะไรเงไม่เอานะ เอาเป็นธรรมดาเหมือนตอนก่อนที่จะคุยกับหลวงพ่อใช้ใจอย่างนั้นนะดีครับผมขอบพระคุณครับทีหลังอ๋อไม่มีทีหลังแล้วนึกว่าทีหลังจะจดเอาไว้ลืมหมดเลยทั้งกี่คนกี่คนนะเอ็ดการบ้านนี่ลืมหมดเลยอัมมาสการหลวงพ่อจ้ะขอเวลาแป๊บหนึ่งเบอร์เจ็ดนะ จิตมันไม่เข้าฐานนะจิตมันกว้างๆสบายอยู่ข้างนอกลองหายใจิหายใจแล้วอย่าดึงจิตคืนนะหายใจเฉยๆหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันแะตะกี้อยู่ข้างนอกนะถ้าจิตอยู่ข้างนอกมันจเจริญปัญญาไม่ได้จริง แต่เรารักษาจิตอยู่ข้างในอย่างนี้เราก็อย่าไปรักษามันจิตอยู่ข้างนอกรู้ทันนะเราก็หายใจไปแตมันก็กลับเข้ามาเองต้องให้มันมาเองถ้าจงใจดึงเข้ามามันจะแน่นใช้ไม่ได้อ้าเบอร์8ปดนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะพยายามจะมีสติรู้สึกตัวบางทีก็รู้ว่าคิดอย่างนี้ค่ะดีฝึกก็ฝึอกอย่างนั้นแหละบางที ค่ะไม่ม่ม่มีอะไรจะส่งเพิ่มหแล้วค่ะไม่มีอะไรส่งก็ส่งไม่นะแล้วมาสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านครั้งแรกนะคะอ่ะหนูสงสัยค่ะคือช่วงนี้จะผิดสีลข้อปานติบาตเยอะค่ะก็เลยอยากถามหลวงพ่อว่ามันส่งผลกับจิตของหนูไหมคะ ทำผิดศีลยังไงก็ส่งผลน่ะนี่ส่งผลมากหรือส่งผลน้อยอยู่ที่เงื่อนไของค์ประกอบของการทำผิดศีลอย่างการทำปานาติบาตเนี่ยเรารู้ว่าเป็นสัตว์รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตเราต้องการให้มันตายเราลงมือก็ทำแล้วมันก็ตายอย่างที่เราต้องการนี่องค์ประกอบห้าข้อ ถ้าองค์ประกอบห้าข้อนี้ครบนะเนี่ยบาปเต็มเต็มนะถ้าองค์ประกอบไม่ครบเช่นเรารู้ว่าเป็นสัตว์รู้ว่าสัตว์มีชีวิตแต่ไม่ได้เจตนาให้มันตายนะแล้วก็เดินไปเหยียบมันเข้าแล้วมันตายเนี่ยองค์ประกอบไม่ครบองค์ประกอบไม่ครบเนี่ยเป็นบาปเล็กน้อยเบาบางเนะฉะั้นอย่างเราทําให้สัตว์ตายเนะี่ยทำไมต้องไม่ทําให้มันตายละ่ะ เป็นงานคะะ่ะเหล่าตัวอะไระหนูค่ะหนูหนูทดลองค่ะอ๋อหนูทดลองมันได้บาปเจือขบุนหน่าเราต้องรู้จักฉลาดไหนๆก็จะต้องทดลองแล้วนะรู้จักวางใจให้ดีอย่าวางใจว่าเราจะฆ่าหนูนะ ให้วางใจว่าเราจะทำการทดลองเพื่อประโยชน์หายาห า, าอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ที่การวางจิตถ้าวางจิตเจตนาว่าเองตายซะเถอะอยากให้มันตายหรือเปล่าหนูอยากให้มันตายไหมตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันไม่คิดอะไรไปเลยค่ะมันออไม่คิดนะคะมันไม่ได้เจตนาจะให้สัตว์ตายนะ ต้องระวางตัวนี้เพราะฉะนั้นการจะทำกรรมแต่ขาดเจตนาที่จะฆ่าเขากรรมตัวนั้นจะมีผลน้อยมีผลเล็กน้อยนะอาจจะไม่ถึงขนาดตายแล้วตกนรกหรอกแต่อาจจะชีโรคนิดหน่อยเป็นไหม <c oughs> <c oughs> เป็นค่ะ <c oughs> เออนั่นแหละรับมีบากไป Okay. แล้วก็มีมีถามเพิ่มค่ะก็คือจะรู้สึกช่วงนี้จะรู้สึกเป็นเบื่อเบื่อค่ะไม่ค่อยอยากเข้าสังคมดูเก็แล้วพอได้ยินเสียงคนพูดอะไรเงี้ยมันจะมีโทสะขึ้นค่ะก็เลยสงสัยว่ามันเป็นเพราะว่าเราหนีหรือว่าเราแค่เบื่องานคะเราหนีหนีเหรอคะอยู่โลกนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะหนีโลกแต่เพื่อพ้นโลก อยู่กับโลกแหละแต่ไม่เดือดร้อนเพราะโลกเรียกว่าพลโลกไม่ใช่หนีออกไปอยู่ต่างดาวไม่ต้องหนีไปไหนหรอกจุดสำคัญของหนูนะอยู่ที่การวางใจให้ถูกนะเวลาเราทำงานเนี่ยคิดแต่ว่าเราทำงานทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติอะไรก็คิดไปอย่างนั้นนะอย่าไปคิดว่าเราจะต้องตั้งใจจะฆ่าหนูให้ตายวา่าจริงเราไม่ได้คิดเรื่องฆ่าหนู เราคิดจะเรือกทดลองยาอะไรเงี้ยงั้นว่างใจให้ถูกนะกรรมมันจะลดลงกรรมเนี้ยจะไม่สมบูรณ์ว่าองค์ประกอบของปานาติบาตไม่ครบถ้าองค์ประกอบของปานาติบาตครบเนี่ยให้ผลแรงอย่างบางคนนะพ่อแม่ไม่สบายใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วก็หมอบอกว่าไม่รอดหรอกอยู่ไปเรื่อยๆก็ทรมานนาน ไม่กล้าสั่งให้หมอเอาเครื่องช่วยหายใจออกกลัวว่าจะทำอนันตริยกรรมค่าพ่อข่าแม่มีหน้ามาถามหลวงพ่ออีกว่าควรจะทำยังไงดูดูพยายามจะเอาบาปมาแบ่งบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นนั้นอยู่ที่การวางใจนะ วางใจจะให้พ่อแม่เนี่ยผลถูกทรมานตามคําแนะนําของแพทย์อันนี้อย่างหนึ่งนะวางใจจะให้ถอดถอดจะได้ตายเร็วๆนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งนะไม่เหมือนกันเพราะนี่การที่วางใจยังไงเนี่ยมีผลที่ไม่เท่าเทียมกันนะงั้นเราอย่าไปวางใจว่าเราจะฆ่าหนูนะวางใจแค่ทดลองตามขั้นตอนซึ่งถูกสั่งมานะ เราพยายามแมบ่งบาปให้ผู้บังคับบัญชาใช่รับใช่เลยใช่ไหมผว่าคนนี้ท่าทางชอบใจมากเพราะได้ทำอยู่แล้วอ่ <S <S าเลขเบอร์สิบกรานบาน้ำมัสการหลวงพ่อค่ะคือโยมส่งกันบ้านครั้งแรกเออครั้งก่อนค่ะ ที่ศีลาชาหลวงพ่อให้ไปดูสิ่งไหนมาสิ่งนั้นไปอสิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นดับค่ะเห็นโยมก็ดูได้บ้างไม่ได้บ้างบางครั้งก็ผ่านไปหลายช็อตถึงจะรู้ค่ะหลายช็อตแล้วรู้สักช็อตหนึ่งก็ยังดีนะต่อไปพอหัดรู้บ่อยๆมันจะรู้ทุกช็อตจะรู้เองจงใจจะรู้ตอลอดเวลาเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่ภูมิของเรา เินของเราเผลอเผลอเผลอแล้วรู้เผลอเผลอเผลอแล้วรู้อะไรอย่างนี้ก็ยังดีฝึกไปเรื่อยๆต่อไป<ฆ>เผลอมันก็สั้นลงรู้มันก็ถี่ขึ้นคือครั้งนี้โยมจะส่งสภาวะที่ผ่านมาค่ะคือโยมเห็นแต่จิตไหลออกๆมันไม่ยอมอยู่ในในกายค่ะจิตไหลให้รู้ว่าจิต<ฆ>ไหลนะไม่ต้องดึงนะ จิตไหลแล้วรู้ไ<ฆ>หลแล้วรู้ไปแล้วถึงเวลาเราก็แบ่งเวลาทําสมถะบ้างนั่งไหวพระสวดมนต์ไปนะจิตมันก็จะกลับเข้ามาหาตัวเองบ้างค่ะคือ<ำ>มัน <ทำ S 2> มันไหลไ ป, นนะไปคิดค่ะไหลไปคิดแล้วก็ไหลไปเหมือนกับว่าไปอยู่ข้างนอกค่ะอืนานรูว่มันไปอยู่ข้างนอกนะ แล้ว ก, กลับมารู้สึกในร่างกายของเราแต่ไม่ดึงจิตคืนนะเช่นพอรู้ว่าจิตไปอยู่ข้างนอกเราก็มารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดู เ, น, เ น, น, ดนี้ยเดี๋ยวมันกลับเข้ามาเองอย่าไปดึงมันคืนมานะถ้าดึงว่ามันแน่นค่ะค่ะแล้วก็มีอีกสภาวะหนึ่งคือโยมก็อยู่ปกติมันผ่านมาได้ประมาณหลายเดือนแล้วค่ะ อยู่ในสภาวะปกติแล้วก็มันมีอารมณ์ก็เย็นนะคะมันไม่มีอะไรไม่มีกระทบอะไรเลยแต่มันเห็นผุดออกมาจากกลาง อ, อกค่ะนั่นแหละถูกแล้วมันคือมันจะมาแบบแบบว่าเออเห็นแล้วแล้วมันจะสว่างสว่างสว่างไม่ใช่แสงนะคะคือสว่างที่ที่รู้ว่า ต้นเหตุของมันมาจากไหนแล้วก็มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันมันจะมีมันกะว่าจิตมันมาสอนจิตให้ดูดไต่ลักหรื อ, อยังไงอย่างนั้นนะคะ ม, มันจะเห็นว่านะคือมันจะเห็นว่าดีก็ไม่มีไม่ดีก็ไม่มีมยาวไม่มีสั้นไม่มีอะไรประมาณนี้นะคะ โยมเข้าใจเนี่ยมันถูกไหมคะเข้าใจถูกนะแต่ว่ามันยังไม่ได้เข้าใจด้วยจิตจริงๆเรายังหลงเก่งอยู่น ะ, ะจิตยังหลงยังเวลาพูดพูดนะมันเคลิ้มเลิ้มไปพูดพูดไปปัญญามันล้ำเปนน็นนะิดนึงนะให้รู้ทันเวลาจิตมันไหลไปรู้บ่อยๆอ่ค่ะเพราะสมาธิสมาธิเราสมาธิเราไม่เต็มนะนะไม่สมบูรณ ไปเดินปัญญาแล้วเมื่อทีมันแอบเจือการคิดลงไปมันคิดพิจารณาลงไปมันจะไม่ลดละกิเลสจริงนะค่อยๆสังเกตให้จิตเข้าบ้านก่อนให้จิตถึงฐานจิตตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วค่อยเดินปัญญาเห็นมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแล้วก็ดับนะดูอย่างนั้นเรื่อยๆไปมันจะไปดูอย่างนั้นนานแค่ไหนก็ไม่สําคัญดูไปเรื่อยๆจนมันพอของมันเอง คือช่วงนี้เนี่ยไอ้สัมผัสสภาวะมันแรงค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันมันเราไม่ค่อยได้จิตมันฟุ้งซ่านนะทำความสงบเข้ามาบ้างการเจริญปัญญาแล้วก็ทิ้งการทำสมถะทิ้งสมาธิไปเลยเนี่ยถึงจุดหนึ่งมันทำไม่ได้จริงแล้วมันจะฟุ้งซ่านนะตอนนี้มันฟุ้งไปแล้ว งั้นกลับมาทำความสงบแล้วค่อยไปเดินปัญญาใหม่เบอร์สิเอาวราาาการค่ะหลวงพ่อคราวที่แล้วหลวงพ่อให้โยมไปทำในรูปแบบบ้างนะคะทีนี้โยมกลับมาทำในรูปแบบก็นั่งนั่งดูตัวเนหายใจโยมก็เลยอยากจะให้หลวงพ่อช่วย ดูว่าที่นั่งอยู่ยังเพ่งอยู่หรือเปล่าเจ้าคะเพง่งรู้สึกไหมมันนิ่งกว่าความเป็นจริง ก, ก็รู้สึกค่ะเออถ้ามันนิ่งๆอยู่นะแสดงว่าเพง่งจิตที่ไม่ได้เพ่งเนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดียเด๋ยวดีเดี๋ยวร้ายถ้ามันคงที่นิ่งเฉย อ, ยอย่างนี้นะแสดงว่าเราเพ่งอยู่ ของเดิมมันก็ฝึกเพ่งนะนีนก็ติดเพ่งอยู่มันลดลงแล้วล่ะมันดีขึ้นเยอะแล้วแต่ความวเคยชินมันยังมีใช่ใช่ค่ะยมก็สังเกตค่ะตอนที่นั่งอยู่นะเจ้าคะที่นั่งอยู่มันจะไปไปล่องเดิมอะค่ะใช่มันจะไปล่องเดิมก็รู้ว่ามันจะไปล่องเดิมแล้วทีนี้ยมก็เข้าใจแล้วค่ะคําว่าไม่ดึงยมก็รู้แล้วก็มันก็คลายออกไปฝึกอีกเดี๋ยว ฝึกอย่างนั้นแหละมีอะไรย่างหนึ่งใช่ไหมเจนนะใช่พอนะทำรูกแบบมันก็จะเข้าร่องเดิมอี่องหลวงพ่อมันเคยชินมันฝึกแบบเก่ามานานนะแล้วมันไปลงไปเพง่งถลำลงไปจ้องนิ่งๆอยู่งั้นดีแล้วล่ะที่หลุดออกมาได้ค่อยๆฝึกไปขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะที่ช่วยแล้ว น, นอกจากที่ว่าถ้าถ้าถ้าถ้าในในระหว่างวันยกก็ รู้กายถ้ารู้ได้โยมก็กลับมารู้กายทีนี้ตอนนี้ะหลวงพ่อรูอ้กแล้วทีนี้วิหารธรรมนะคะหลวงพ่อบันทีโยมก็ถ้ามันฟุ้งโยมก็พโทโถบ้างะะได้ไหมคะได้ค่อยรู้ทันจิตไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะกายเป็นของแถมเพราะกิเลสมันเกิดที่จิตกุศลมันเกิดที่จิตมรรคผลมันเกิดที่จิต เราคอยรู้เท่าทาันจิตตัวเองเห็นจิตมันทำงานมันไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้ไปบ่อยๆจิตมันจะได้เดินปัญญา<ะ>ไม่ไปติดนิ่งๆอยู่ดูไป<ม>จิตมันไม่ใช่ตัวเราจิตมันทำงานได้เองดูอย่างนี้เรื่อยๆงั้นตอนนี้ในรูปแบบยมอย่างนั่งยมก็ไม่ไม่ต้องนั่งใช่ไหมจ๊ะป้แล้วพอจิตจะไหลเข้าช่องเดิมรู้ว่าจิตจะไหลไม่ทิ้งหรอกน ะ, ะมันไม่ใช่ของเลวค่ะ มันเพียงแต่สติเราที่ผ่านมามันอ่อนไปจิตมันไหลไปเราไม่เห็นเราก็ไปนั่งเหมือนอเดิมแหละแต่ว่าพอจิตมันจะไหลเข้าช่องความเคยชินก็รู้ทันมันไม่ดึงแต่เริ่มต้นใหม่เริ่มกลับมาอยู่กับกรรมฐ า, านของเราใหม่ะจะผจาอ่ะเบอร์สิบสองนี่หลวงพ่อไปเทศมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วนะเพิ่งเจอที่ที่นี่นี่แหละ ที่มีใหม่คู่อักว่าไปการนมั ส, สการเจ้าค่ะหลวงพ่อให้ไปดูกายกับใจไม่ใช่เราอะค่ะอขอการบ้านค่ะเราเห็นไหมเห็นค่ะนี่นแหละดูบ่อยๆ น, นะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีขึ้นเยอะเลย ดูไปจกทั้งวันหนึ่งมันรู้แจ้งรู้จริงว่าจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราและ้ะตอนนี้ดูเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่เราความรู้สึกไม่ใช่เรามันเหลืออันเดียวจิตยังเป็นเราอยู่ค่อยๆดูไปจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตเดี๋ยวก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้ฟังอะไรเงี้ยสลับกันเป็นผู้รู้แล้วสลับไป เป็นผู้รู้แล้วก็ออกไปดูรูปเป็นผู้รู้แล้วก็ไปฟังเสียงอะไรเงี้ยสลับไปเรื่อยๆจิตเองก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงดูไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งปัญญามันทะลุลงมาที่จิตมันจะรู้ว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันทำงานได้เองที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้นะในห้าขันเนี่ยเห็นผ่านไปแล้วสี่ขันมันไม่ใช่เรา เหลือจิตอันเดียวงั้นเราก็ดูจิตมันทำงานไปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปฟังเสียงเนี่ยสังเกตเ้าทำงานไปอย่างนี้เรื่อยๆดูออกไหมดูออกค่ะดูบ่อยๆนะใช้ตรงนี้เป็นกรรมฐาน แล้วถึงเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์นะทำสมาธิไปค่ะสมาธิหรือสมถะควรจะทำทุกวันจิตถึงจะมีกำลังถ้าทิ้งไปเลยนานๆจิตไม่มีแรงเดินปัญญาไม่ได้จริงจบแล้วรึค่ะ <c oughs> จบแล้วก็ดี <c oughs> หลวงพ่อนุ้งมทนานะกับท่านอาจารย์กับพวกเราทุกคนกับทีมงานทุกคนด้วยหลวงพ่อไปเทศที่นี่หลายปีแล้วเริ่มต้นไปเทศครั้งแรกเนี่ยคนมาเป็นพันๆคนเหล่านั้นมาแบบตื่นเต้นคล้ายๆจะมาดูดารา มนดูของแปลกอะไรเงี้ยไม่ใช่นักปฏิบัติพอผ่านวันผ่านเวลามาเนี่ยพวกเราเหลืออยู่จำนวนไม่ใช่น้อยนะพเพราะเต็มห้องเหมือนกันแต่สิ่งที่เราไม่เหมือนเดิมคือพวกเราพอนาเก่งขึ้นเยอะเลยแต่ละคนมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติเรารู้ว่าเราจะปฏิบัติทาไปเพื่ออะไร เราปฏิบัติธรรมเพื่อเราจะไม่ทุกข์วิธีที่จะพ้นจากทุกข์ได้ก็คือต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาเราจะเจริญศีลสมาธิปัญญาได้เราต้องมีสติมีสติอยู่เรื่อยๆรรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไปศีล ส, สมาธิปัญญาก็จะพัฒนาขึ้นไปสติอัดแรกๆกมันก็ไม่ค่อยจะเกิด แต่พอเราหันดูจิตใจตัวเองบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปสติมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วถ้าเรารู้ทันจิตที่มันฟุ้งซ่านไปมันเคลื่อนไปมันมีนิวรณ์นิวรณ์ดับสมาธิก็จะเกิดอัตโนมัติจิตใจเราจะอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานดูไปเพื่อให้เห็นร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ร่างกายเป็นวัตถุธาตุของโลกเรายืมวัตถุของโลกมาใช้เช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกจิตใจก็เต็มไปได้วยความไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วจิตใจเต็มไปได้วยการบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจมันจะไปดูหรือมันจะไปฟังมันจะไปดมกลิ่นหรือไปรู้รสไปรู้สัมผัสทางกายหรือมันจะไปคิดมันทางานของมันได้เอง เราจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะในกายในใจเนี้ยจนมันพอพอเมื่อไหร่อริยมรักจะเกิดขึ้นเองในคนเป็นพันๆจากจุดเริ่มต้นที่หลวงพ่อไปเทศครั้งแรกเนะี่ยมาถึงจุดนี้เราอยู่ในระดับเป็นร้อยๆนะเป็นระดับเป็นร้อยไม่ใช่เป็นพันๆอย่างแต่ก่อนแต่มันเป็นร้อยที่เป็นคล้ายๆเป็นครีมจริงๆอนะ่นะเป็นผัวกะทิไม่ใช่หางกะทินะ เงินพวกเรามีพัฒนาการที่หลวงพ่อชื่นใจนะพวกเราทำสิ่งที่หลวงพ่อพอใจนั่นแหละคือการทดแทนบุญคุณของครูบาอาจารยนะ์คือการปฏิบัติบูบชาเพรางินพวกเราถึงไม่เจอหลวงพ่อก็อภาวนานะปฏิบัติไปเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยู่กับหลวงพ่อเหมือนอย่างหลวงพ่อเมื่อก่อนไปเรียนกับหลวงปู่ดูล มีความรู้สึกเหมือนเราอยู่กับหลวงปู่ดูลทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงหลวงปู่เวลาเราจะทําอะไรเราจะรู้เลยว่าถ้าทําสิ่งนี้หลวงปู่จะชอบทําสิ่งนี้หลวงปู่จะตีเตียนเนี่ยเหมือนกับท่านคอยควบคุมเราอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ห่างครูบาอาจารย์นะมันห่างในทางร่างกายแต่จิตเราสื่อถึงกันได้ เวลาภาวนาติดขัดแนละ้วนึกถึงหลวงพ่อแล้วก็ภาวนาไปทําใจให้สบายแล้วภาวนาไปเราจะได้คําตอบนะด้วยตัวของเราเองหรือเวลาสงสัยอะไรขึ้นมาทําใจให้สบายแล้วไปฟังซีดีนะมันจะมีคําตอบให้เราได้เพราะไม่ต้องตกใจว่าพวกเราเป็นลูกศิษย์ที่อยู่ไกลหลวงพ่อนะแล้วใครจําเป็นจริงๆเขาก็มีรถตู้ฟรีให้มาก็คนะือนรถตู้มาฟังมาส่งกันบ้านได้ แลวพวกเราที่วัดนี้พ่อภาวนาเก่งๆเยอะเลยเรียนรู้ที่ตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเองพึ่งตัวเองให้มากๆถ้าเราอยากได้มากผลนิพพานเราต้องสู้ด้วยตัวของเราเองถ้าหวังพึ่งครูบาอาจารย์หวังพึ่งคนอื่นอะไรเงี้ยติดอาจารย์เนียจิตใจจะอ่อนแอนะงั้นพวกเราอยู่ห่างหลวงพ่อภาวนาให้ได้ก็แล้วกัน ติดาดขึ้นมานึกถึงหลวงพ่อไว้แล้วภาหนาไปแล้ว่าคตอบมันจะเกิดขึ้นสมควรแก่เวลาแล้วนะวันนี้จะเป็นเทเลคอนเฟรนต์ครั้งสุดท้ายครั้งแรกก็ที่วัดนี้แหละครั้งสุดท้ายก็ที่วัดนี้ปีหน้าหลวงพ่อจะต้องออกเทศนี่หลวงพ่อชราภาพมากขึ้นแล้วเทศไกลๆไม่ไหวเลยไปอยู่แถวกรุงเทพนี่แหละ แต่พวกเราดู YouTube ดูอะไรได้มีข้อติดขัดอะไรจำเป็นจริงๆก็นั่งรถตู้มาส่งกันบ้านนะถ้าช่วยตัวเองได้ช่วยตัวเองไปสังเกตให้มากเวลาที่เราอยู่ห่างครูบาอาจารย์เนี่ยสิ่งที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดน่คือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิกานี่คือความแยบขายในการสังเกตตัวเองอย่างถ้าเราภาวนาแล้วจิตเรานิ่งอย่างเบอร์เจ็เนี่ย ถ้ามันนิ่งอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยก็จะต้องแยบไข่รู้ว่าเราไปสร้างพบของนักปฏิบัติขึ้นมาจะทำเป็นเฉยนะเราก็จะต้องรู้เลยโอ้โนี่ผิดแล้วนี่ไปสร้างพบของนักปฏิบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยใช้ความแยบไข่สังเกตตัวเองะอะไรมันจะดีคงที่ขนาดนั้นมันต้องดีบ้างเลวบ้างถ้าภาวนาแล้วดีตลอดเนี่ยอาการหนักนะ นะเพราะงั้นแต่ถ้าเลวตลอดไม่เคยดีนี่ก็หนักมากนะมันดีบ้างเลวบ้างอันนั้นแหละดีจนะเห็นในทุกอย่างเกิดดับช่วยตัวเองให้เยอะนะสังเกตให้เยอะถ้าเมื่อไรรู้สึกว่าร่างกายจิตใจหายไปหมดเลยแสดงว่าไม่มีสมาธิจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ถ้าเม่อไรจิตใจทื่อๆรู้กายรู้ใจตลอดเวลาแต่ใจนิ่งเฉยอยู่สแสดงว่าเป็นสมาธิแบบเพ่งๆเอาไว้ะจะเจริญปัญญาไม่ได้นิ่งอยู่เฉยๆถ้าเมื่อไรเห็นกายเห็นใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแสดงไตร ล, ลักษณ์เมื่อนั้นปฏิบัติถูกเ น, นี่ยสังเกตตัวเองไปแต่แม้เห็นไตร ล, ลักษณ์ตลอดเวลาเลยกี่วันกี่วันก็เห็นแต่ไตร ล, ลักษณ์ ต้องเฉลียวใจว่าเดินปัญญามากไปฟุ้งซ่านกลับมาทําความสงบบ้างเนี่ยสังเกตตัวเองไปตอนนี้ควรจะทําความสงบก็ทําตอนนี้ควรเจริญปัญญาก็เจริญปัญญาไม่ใช่สงบเฉยซื่อบื้ออยู่นี่ทั้งชาติหรือไม่ใช่เจริญปัญญาแบบเจริญปัญญาแบบเนี้ยเอาหัวถูไถไปเรื่อยนะมั่วซั่วไปเรื่อยอย่งนใช้ไม่ได้สังเกตตัวเอง ตอนเนี้ดูจิตได้เห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงได้ดูจิตไปตอนนี้ดูจิตไม่รู้เรื่องดูกายเห็นกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ตัวเราของเราอย่นี้ดูกายไปนะถ้าดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําสมถะไว้อยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจไปนะหรือไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆให้จิตใจมีความสุขจิตใจมีความสบายจิตใจก็จะมีกําลังกลับไปดูกายดูใจได้ใหม่ ดูจิตได้ให้ดูจิตเห็นจิตแสดงใจลักก็ดูจิตไปถ้าดูจิตไม่ได้จิตมันนิ่งมันเฉยมันไม่ยอมแสดงใจลักมาดูกายเห็นใจลักที่ร่างกายนี้แทนที่ว่าดูจิตไม่ได้ให้ดูกายเนี่ยไม่ใช่ว่าดูตัวจิตนะหมายถึงดูใจลักที่จิตไม่ได้มาดูใจลักที่กายถ้าดูกายดูจิตแล้วก็เห็นแต่กายเห็นแต่จิตแต่นิ่งนิ่งเฉยๆอย่าง นะทำสมธาใหม่สะสมกําลังใหม่แล้วก็ย้อนกลับไปดูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของใจจุดสำคัญต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจถ้ากายนิ่งใจนิ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช้ไม่ได้นะถ้ามันนิ่งจริงๆเนี่ยให้กลับมาใช้การคิดคิดพิจารณาร่างกายเข้าไปเลยร่างกายนี้ประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออนกระดูก แต่ละส่วนเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยผมมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็งอกไปเดี๋ยวมันก็หลุดไปนะมันไม่สวยมันไม่งามมันโง่ก็โกเนนี้คิดมันไปเป็นการกระตุ้นให้จิตหัดเจริญปัญญาไม่ให้ติดเฉยการคิดเราจะใช้เมื่อจิตไปติดนิ่งติดเฉยเราจะคิดพิจารณาแต่ถ้าจิตมันไม่ติดนิ่งติดเฉยมันเห็นจิตแสดงใจรักอยู่แล้วอย่างนี้ไม่ต้องคิดเห็นร่างกายแสดงใจรักอยู่ไม่ต้องคิดนะ ถ้ามันนิ่งรู้กายรู้ใจเฉยๆอย่างนั้นคิดพิจารณากายพิจารณาจิตไปนะเราจะเดินปัญญาต่อได้แต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยคือรักษาศีลห้าทุกวันทำในรูปแบบจะได้สมาธินะเวลาที่เหลือจเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทัน ก็จะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วทุกสิ่งทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นนะอย่างนี้เรียกว่าเราจเจริญปัญญาอยู่แล้วก็ถึงเวลามาไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทำเพื่อให้จิตมีกำลังน ะ, จะเจริญปัญญารวดเดียวไม่ได้นะ้ําจะฟุ้งซ่านนะแล้วทำความสงบอย่างเดียวไม่ยอมเดินปัญญาก็ไม่ได้เสียเวลานะไม่พัฒนาถ้ามันติดสงบก็คิดพิจารณาเข้าไป ถ้ามันฟุ้งซ่างก็ทำความสงบเข้ามาแล้วมีลีลามีชั้นเชิงในการปฏิบัติหลวงพ่อสอนละเอียดหนนะวันนี้แล้วเราคอยไปฟังซ้าฟังซีดีดู YouTube เอาทำความเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อสอนวันนี้มันคือใจความทั้งหมดสำหรับการปฏิบัติที่คนธรรมดาคนหนึ่งนะจะก้าวไปสู่มรรคผลนิพพานได้ พอสมควรแก่เวลานะขออนุมโมทนากัรทุกทุกคนขอให้มีความสุขมีความเจริญในธรรมนะเป็นไงทีมงานหลวงพ่อเก่งไหมพวกนี้เมื่อก่อนอยู่ตามโรงละครเปลี่ยนฉากไวมากเลยเปลี่ยนฉาก วันนี้ก็เทศให้ฟังมันเป็นหลักพื้นฐานนะถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อเทศวันนี้เราก็เดินของเราได้ช่วยตัวเองให้มากพึ่งคนอื่นให้น้อยพึ่งครูบาอาจารย์เท่าที่จำเป็นช่วยตัวเองนะหลวงพ่อเนี่ยพึ่งครูบาอาจารย์ทั้งหมดเจ็ดครั้งครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อพึ่งมีหกอ ง, งแต่มีเจ็ดครั้งหลวงปู่สิมเนี่ยเคย มีปัญหาแล้วท่านแก้ให้สองครั้งนอกนั้นก็องละครั้งหลวงตามหาบัวอะไรอย่างเงี้ย้หลวงพ่อไม่ได้เพิ่งครูบาอาจารย์เยอะแต่ว่าเรียนหลักของการปฏิบัติแล้วมาสังเกตตัวเองช่วงไหนรู้สึกว่าแหมมันดีคงที่เลยเนี่ยรู้สึกมันต้องมีอะไรผิดแต่เราดูไม่ออกเลยไปถามเคยไปถามหลวงตามหาบัว นะพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตแล้วแต่ทําไมเป็นปีแล้วไม่พัฒนาเลยอย่างนี้เราดูไม่ออกว่าทําไมมันไม่พัฒนาท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วต้องเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเองตัวนี้สําคัญมากนะอะไรๆก็สู้บริกรรมไม่ได้ท่านบอกอย่างนี้เพราะว่ามาสังเกตทําไมท่านจะให้บริกรรมเพราะว่าสมาธิเราเสื่อมไปแล้ว จเจริญปัญญารวดไปเลยทิ้งสมาธนะิตอนเด็กทำสมาธิอยู่ยี่สิบสอปีสมาธิเยอะพอมาเจอหลวงปู่ดูลเนี่ยเจริญปัญญาไปสองปีกว่ า, วาสมาธิ22ปีเนี่ยหมดแล้วไม่รู้ว่าสมาธิหมดแล้วก็นะยังทูซีจเจริญปัญญาไจิตมันลงไปอยู่ในความว่างสว่างว่างสบายนะสบายอยู่งนะั้นอยู่งั้นเป็นปีเลยสบายมีแต่ความสุข แล้วเราก็เฉลียวใจทําไมมีแต่วความสุขมันผิดปกติมันควรจะไม่เที่ยงทำไมมันเที่ยงมันควรจะทุกข์ทำไมมันสุขมันควรจะบังคับไม่ได้ทำไมบังคับไดไ้นี่เรียกว่าโยนิโสนะพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราไปเห็นว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นอนัตตาเราต้องมีอะไรผิด เ, เลยไปเจอหลวงตา ม, มาหาบัวเนี่ยถามท่านท่านบอกว่าดูไม่ถึงจิตสังเกตดู ว่าจิตไปอยู่ข้างนอกจิตไปว่างอยู่ข้างนอกติดอยู่ในความว่างพอเรารู้ทันเราก็ทำสมาธิให้จิตเข้าบ้านซะจิตเข้าฐานเราั้นจิตที่ถึงฐานนี่สำคัญมากนะถ้าจิตไม่เข้าฐานเดินปัญญาไม่ได้จริงหรอกเหมือนดีไม่ดีหลงไปอยู่ในความว่างเสร็จเลยไปตายอยู่ในความว่างไปเป็นอรูปภพลมเป็นลมไม่มีต่างกายพระเมตไตรมาตรสลุก็ไม่รู้ ไปไม่ถึงเรางั้นพยายามรู้สึกตัวดูกายทำงานดูใจทางานไปนะหายใจไม่มีอะไรทำก็หายใจไปอย่าหยุดหายใจหายใจไว้กว่าตัวจะโตแค่นี้หายใจมานานแล้นะอย่าเพิ่งเลิกหายใจเห็นร่างกายหายใจยใจเป็นคนดูอย่าน้อมใจให้ซึมอย่าน้อมใจให้นิ่งไม่ชอบหายใจก็พุโทโธไป ไม่ชอบหายใจไม่ชอบพุโทโธสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ได้บทไหนก็ได้นะแต่อย่าสวดบทส่งเสริมกิเลส น, นะมีบางบทส่งเสริมกิเลสเขาเชื่อวสวดแล้วเฮงสวดแล้ว ร, รวยเอาเฮงเอารวยไม่ใช่ชาวพุทหรอกถ้ามีผลของทานดีมีกรรมใหม่ที่ดีมันก็รวยมีผลทานในอดีต เกิดมามีสมบัติทำกำใหม่ชั่วเล่นการพนันยังไงก็จนอยู่ที่กรรมเป็นตัวตัดสินไม่ใช่อยู่ที่คาถาอาคมอะไรทั้งสิ้นชาพุดต้องมีเหตุมีผลนะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อมั่นในการกระทำเราจะพ้นทุกข์ด้วยการกระทาของเราเองต้องเชื่อตัวเองเชื่อมั่นฝึกตัวเองไปแต่เราไม่ได้ฝึกสเปสปะ เราฝึกตามร่องรอยที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ให้เพราะเราไปด้วยตัวของเราเองไม่ได้เราเป็นสาวกภูมิเราไม่ใช่พุทธภูมิหรือเป็นพระปัจเจก พ, พุทธเจ้าพวกนั้นเขาไปเองคนส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยคำสอนของ พ, พุทธเจ้าอย่างเนี้ยสอนให้ดูกายดูใจเป็นไตรลักษณ์เนียไม่มีในาศาสนาอื่นไม่มีในคาสอนของนักปราชญ์อื่นเรื่องการดูกายดูใจให้เห็นไตรลักษณ์ มีเฉพาะในคําสอนของพระพุทธเจ้าส่วนเรื่องการทําสมาธิให้จิตสงบนะมีทุกศาสนาหลยศาสนาไหนก็มีทั้งนั้นแนะเพราะนการทําสมาธิให้จิตสงบเนะี่ยเป็นเขาเรียกว่าสาธารณะกุศลเป็นกุศลทั่วๆั่วไปนะไม่จํากัดว่ามีเฉพาะในศาสนาพุทธแต่ที่มีเฉพาะในศาสนาพุทธจริงๆนะัคือการเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ไม่มีที่อื่นแล้ว จิตเราจะเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ใช่สงบอยู่เฉยๆแต่ต้องเป็นคนดูดูอะไรดูกายทํางานดูใจทํางานนะไม่เข้าไปแทรกแซงเนี่นเราต้องค่อยๆฝึกจิตต้องเป็นคนดูวิธีฝึกให้ได้จิตที่เป็นคนดูคือรู้ทันจิตเวลามันไปทําอย่างอื่นส่วนใหญ่มันหนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดเนะี่ยมันจะเกิดจิตที่เป็นคนดูจิตผู้รู้ขึ้นมา มืมีจิตผู้รู้แล้วใหญ่รักษาจิตผู้รู้เฉยๆว้างๆอยู่นะใช้ไม่ได้ต้องดูไจรลักจิตผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้ไจรลักเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้ฟังเนี่ยสลับกันไปเรืเ่อยๆตรงนี้เราก็เห็นมันเกิดดับไปเรืเ่อยๆเดินปัญญาไปถึงเวลาก็มาทาความสงบทุกวันต้องทำนะแบ่งเวลาไว้ทา แล้วไม่จำเป็นต้องทำวันละครั้งถ้าไปทำตอนก่อนนอนครั้งเดียวนะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วฟุ้งซ่านมาตลอดวันนะพอตกเย็นเนี่ยไปนั่งสมาธิก็นั่งหลับเท่านั้นเองในชีวิตเราแต่ละวันเนี่ยมีเวลาห้านาทีดูเวลาที่เราเดินไปเข้าห้องน้าเงี้ยมีเวลาสักห้านาทีเท่านั้นนะ่ะเราก็มีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจไปเนะี่ยศาสร์สมุทเราไปเงี้ย หรือทําอะไรไม่ถูกเดินไปพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปได้่อยๆให้จิตมันมีเครื่องอยู่อยู่กับพุโทโธไปดีกว่าอยู่กับเรื่องอื่นนะเนี่ยถ้าทําอย่างนี้ในชีวิตประจําวันนะทุกๆชั่วโมงนีได้ทําอย่างเงี้ยตอนค่ำไปนั่งสมาธิไม่นั่งหลับจิตมีมีพลังมันจะพัฒ น, นาตัวได้แต่ถ้ารอถึงตอนค่ำค่ำดึกดึกแล้วนะใกล้ง่วงเต็มทีแล้วเราจะไป ปฏิบัติไม่ได้กินหรอกนะงั้นพยายามเก็บเล็กเก็บน้อยอยู่ในชีวิตนี้เอาให้ได้อย่าลืมนะถ้าไม่เห็นใจรักของกายของใจไม่ใช่พุทธศาสนาอื่นเขาก็มีศีลศา ส, สนาอื่นเขาก็มีสมาธินะแต่การเจริญปัญญามิปัสสนากรรมฐานมีเฉพาะในพระพุทธศาสนา กันที่เขามีศีลเขามีสมาธิเขาก็มีความสุขได้เขาเป็นคนดีได้แต่เขาพ้นทุกข์ไม่ได้คนจะดีแค่ไหนก็ยังหนีความทุกข์ไม่รอดถ้าเราจเจริญปัญญา จ, จนจิตมันรู้ความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราความทุกข์่ะไปตั้งที่ไหนความทุกข์มันเข้ามาถึงเราไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะเราไม่ได้ยึดกายไม่ได้ยึดใจไว้ ทุกมันก็อยู่ที่กายทุกมันก็อยู่ที่ใจเท่า น, นั้นเองไม่อยู่ที่อื่นหรอกไปฝึกเอานะสอนให้เต็มเหนี่ยวแล้วอยู่ที่ช่วยตัวเองไปเชิญกลับบ้าน